นองแดงพระสมัยสัมพุทธเจ้าผู้ตรัศรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอ ah. นอะน mm ้อมแดงพระธทำที่พระสมัยสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ชอบแล้วขอนอะน้อมแด่พระสงสาวกของพระสมัยสัมพุทธเจ้าผู้ประพฤตีปฏิบัติชอบผู้ปฏิบัติตรงผู้ปฏิบัติเพื่อออกจากกองพูกผู้ปฏิบัติที่สมควรแล้ว ในโอกาสที่จะได้แสดงธรรมในวันนี้อามาจะได้แสดงธรรมเป็นสองสองแง่มุมแง่มุมแรกคือการบรรยายธรรมเป็นเป็นใจความเพื่อให้เราได้ประโยชน์จากการที่จะนําไปสู่การปฏิบัติกับแง่มุมที่สองก็คือตัางประเด็นที่เป็นคําถามจากพวกเราแล้วอาจาก็จะได้ นำนำข้อปัญหานี้วิสัชนาหรือว่ า, าอธิบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจในธรรมยิ่งขึ้นไปเพราะว่าการสระตัดฟังาาธรรมเทศนาถ้าเราไม่ได้ความเข้าใจไปด้วยประโยชน์ที่รับฟังก็จะไม่ค่อยได้รับประโยชน์มากเท่าที่ควรือสาหสัมพัน ท, ที่สุดก็คือความเข้าใจที่เราจะได้อัตนาก็จะยกบทธรรมที่เป็นหลักที่ เป็นเนื้อหาหรือว่าใจความที่จะนำจิตนำใจเราเข้าไปกระทำอนิพพานที่แจ้งเพื่อโดยหลักหรือว่าโดยใจความแล้วจิตจะต้องเดินในหลักอริยสัจและหลักอริยสัจสี่ที่วงทรงกั่าไว้ว่าเป็นเสาหลักใหญ่ที่ควาดินดีแล้วไม่บนไบด้วยภายุสีทิพย์ชันใดบุคคลที่ได้เห็นอริยสัจสี่ ย่ไม่หวั่นไหวในโลกกระทำชันนั้นมันเป็นข้อความที่กำหนดไว้ตายตัวแล้วว่าหากใจของเรายึดอยู่กับหลักนี้ไม่ว่าเราจะเจอโลกกระทำ ม, มาแบบไหนก็ตามจิตใจเราจะไม่หวั่นไหวเพราะอาริยสัจสีจะบอกและอธิบายให้เราได้รู้และเข้าใจความจริงของโลกได้อย่างถูกต้องและจิตใจของเราก็จะไม่ปฏิเสธในสิ่งที่มันเป็นตามที่มันเกิดกับชีวิตของเรา โดยหลักสักจจะสี่ประการนี้ผู้ทีเจ้าทรงแสดงไว้แล้วในธรรมจักรกับปวัตรรมะสูตรจริงๆผู้ทีเจ้าทรงแสดงธรรมจักรเนี่ยเป็นสูตรเดียวเนี่ยก็เพียงพอแล้วที่จะนําเราไปสู่การตัสรูปแต่ด้วยความที่พระองค์เป็นสมมาสมพุทธะพระองค์จะแสดงเองแค่สูตรเดียวคงจะไม่ไม่เหมาะกับความเป็นพุทธปัญญาของพระองค์เป็นถึงขั้นเป็นาศาสนาของเทวดาและมารุษย์สนะอนเพียงแค่สูตรเดียวสอนไปแค่สูตรเดียวเนะี่ยมันก็ ดูเหมือนจะน้อยเกินไปอะไหรือไ ม, ไม่ไม่เหมาะสมไม่สมเหตุสมผลที่พระองค์ไปสมาสมพุทธะแล้วก็สอนแต่บททำบทเดียวรู้อันเดียวนี่เหรอไม่รู้ไม่ได้รู้เป็นเกินไปกว่านี้เหรออนี้เนี่ยพงษ์ก็เลยแสดงธรรมมากมายที่เราได้รับรู้กันว่าแปลเป็นสี่พั น, น 8, 4, แต่โดยใจความแล้วทุกครั้งที่พระองค์ปรารถนาจะให้จิตของคนเข้าถึงธรรมพงษ์มักจะยกอรษษิยสัจสีไม่ใช่จะมักจะยกคือ ต้องยกขึ้นมาเลยสพวกผมจะคำนวณดูว่าจิตใจของบุคคลผู้ใดเพียบพร้อมแล้วที่จะได้รับความอริยสัจพวกผมจะแสดงอริยสัจสี่เนี่คือใจความที่สําคัญแล้วก็เป็นใจความที่กระทำปัญญาให้เกิดทําดวงตาให้เกิดแล้วก็ทําวิชาให้ความรู้แล้วก็อะโลโก้อะโลโก้ดูทั่วไปก็จะแปลว่าแสงสว่างหรือแสงสว่างเกิด ข, ขึ้นแล้วแต่ก็ามาจะแปลเป็น เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งหรืองแง่มุมหนึ่งบางทีการประคำจากธารมอาจจะได้ฟังศัพท์ที่ไม่คุ้นหูหรือว่าแปลกใหม่อันนี้คือเป็นศัพท์ที่ธรรมบัญญัติมาเพื่อใช้อธิบายแง่ธรรมให้ลูกศิษย์ได้พยายามจับประเด็นในอริยสัจถุพ่อธารมจะต้องใช้หลักคำที่สร้างความเข้าใจ ให้กับคนที่เรียนรู้กว่าถ้าเขาไม่เข้าใจแล้วยังไงก็ปฏิบัติมันก็ไม่เข้าใจรู้ไม่ใช่ว่าเขามันจะรู้เขารู้กับไอ้ยศศิพูดถึงอพวเราก็รู้กันหมดทั้งหแต่ ว, ว่าความเข้าใจแท้แท้ไ ห, หรือว่าขอบเขตได้รู้และเข้าใจกันกันสักเท่าไหร่เรามักจะเริ่มต้นการปฏิบัติมักจะพูดถึงตัวสติหรื่าเริ่มต้นกันด้วยสติปัฏฐานสี่หรือว่าการจเจริญสติ สมัยพระมาอยู่กับรุคำสูตรท่านาาก็มักจะบอกเสมอว่าขาดสติไอ้ต้นขาดสติอยู่กับท่านทําอะไรก็ขาดสติถ้ามันขาดสติแล้วทําจะเดินโงกมหรือนั่งสมาธิก็ไ ม, ไม่ไม่มีประโยชน์ท่านบออย่างเง้ยมักไม่เจริญคุทธธรรมไม่เจริญไอ้เราก็สงสัยว่าไอ้สติมันคืออะไรตามเรียนที่เราเรียนมาแล้วก็เรียนมาว่าสติมันการระลึกได้หรือว่าระลึกถึงสิ่งที่ทำํทำคาที่พูดไว้นั้นได้แล้วเนี่ระเพีเนี่ย เราก็เรียนมาอย่างนั้นรูปแบบก็กเขาบไว้อย่างนั้นก็แสดงการเจริญสติคือมันเจริญการจดจําสิ่งที่กระทําหรือคำที่พูดอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่ใช่แล้วก็ตีปัญหาไม่ออกมันคืออะไรสติด้วยความที่ตีปัญหาไม่ออกแล้วประจว ก, กับที่รับผมวสูงเนี่ยให้อาตมาปดอาหารแล้วก็ทําความภาคเพียรอตมาก็พยายามจะหาคําว่าสติคืออะไรแล้ก็เดินจุกรม เดินดูกลมตั้งคำถามขึ้นในจิตของตัวเองว่าสติคืออะไรสติคืออะไรเดินดูหนึ่งชั่วโมงก็ยังไม่รู้ว่าสติคืออะไรจนคำถามคำนี้ว่าสติคืออะไรเนี่ยก้องอยู่ในจิตคือเราได้ยินเสียงจิตที่มันตั้งคำถามขึ้นมาในจิตของเราเองว่าสติคืออะไรพอตะวมาได้ยินเสียงนี้ตะวัาก็เลยเข้าไปดูในจิตมันมันถามคำถามขึ้นมาว่าสติคืออะไร การที่เราเข้าไปเห็นจิตที่มันถามตัวเองว่าสติคืออะไรสติคืออะไรแล้วเราเห็นขนาดแห่งความคิดนั้นเราก็เลยเกิดปัญญาหรือเกิดความรู้เรื่องเรียกว่าอะไรเป็ไปสัมปชัญญนะคือเกิดความเข้าใจขึ้นมาทันทีแล้วว่าอ๋อการที่เรารู้ว่าจิตเราคิดอะไรอยู่นั่นแหละคือสติคือเราไปเห็นคาถาม ท, าที่ตั้งอยู่ในจิตว่าสติคืออะไรตอนแรกเราไม่เห็น เราพอเร า, เราจะมองหาคําตอบมันคืออะไรมันหมายถึงอะไรมันเป็นยังไงถ้าเราไม่รู้ว่าสติคืออะไรเนี่ยเราจ ะ, จะเจริญมันไมถูกเพราะฉะนั้นเมื่ อ, อตมาเห็นสิ่งที่จิตมันคิดถามหายอย่นั้นเละแล้วต้องการคําตอบแเราก็รู้ว่าคาตอบมันอยู่ตรงนั้นตรงนี้แต่นี่แท้จริงการที่เราเห็นสิ่งที่เราคิดอยู่มันก็เลยเกิดเป็นความรู้อธิบายให้ตมาได้ทราบว่าอันที่เรารู้อยู่นี่แหละว่า สติคืออะไรถ้าเราเข้าไปรู้ความคิดที่กําลังคิดหรือว่าสติคืออะไรต้องการหาคำตอบอยขนาดนั้นเรียกว่าสติอตาตมาจึงบัรยัิคําสอนลูิษยว่าสติคือการเข้าไปเห็นอารมณ์ที่เกิดกับจิตที่เกิดในจิตเนี่ยถ้าไม่เห็นอารมณ์ที่เกิดในจิตก็คือขาดสติอตาตมาก็เลยเอาเอาหลักการตัวเนี้ยซึ่ ง, งอาจจะไม่ไม่ไมีแบบแต่ว่าเปความเข้าใจของอาตมาเองแล้วก็ความเข้าใจนี้อาจจ ะ, จะ ผิดก็ได้หรืออาจถูกก็ได้หรือมันจะเป็นยังไงก็ได้แต่เราก็ ร, ก ร, ก ร, กรกับรับทราบรับฟังไปก่อนทีนี้เมื่อรตามาเริ่มเห็นสิ่งที่เกิดในจิตจากจุดเนี้มันทําให้รตามาเริ่มเข้าใจทุกอย่างที่เกิดในจิตตัวเราทุกคำว่าทุกอย่างอืนทุกๆอารมณ์ที่มันเกิดและเราเข้าใจว่านี่คือเรารับรู้รับทราบมันเรื่องมันถูกรู้ด้วยสติอารมณ์ทั้งหมดที่เกิดกับจิตเรานา้นถูกรู้ด้วยสติคือการ เห็นแต่ตอนนั้นยังไม่ทราบการเกิดการดับเพียงแค่เห็นเฉยแล้วก็เดินแล้วก็เห็นอารมณ์ที่เกิดกิดกินเห็นอยู่เรื่อยๆเห็นอยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆเดินกลมกลับไปกลัมากลับมากลับไปมันดีอยู่อย่างตรงที่ว่าพอเราเห็นแล้วอารมณ์มันก็ดับลงไปตอนนั้นต่อตาแต่ตอนนั้นเราไม่ได้กำหนดรู้ลงไปลึกถึงชั้นที่เรียกว่ามันดับไปตรงไหนอันนี้เราไม่ได้กำหนดรู้ขนาดนั้นเรารู้เพียงแค่ว่ามันเกิดแล้วมันดับมันเกิดแล้วมันดับมันเกิดแล้วมันดับอยู่แค่นี้เอง ก็เลยไม่ทราบว่าจะปฏิบัติยังไงต่อเมื่อไม่ทราบว่าจะปฏิบัติยังไงต่อก็เขาเรียก ว, ว่าลบลุกผู้ครางหรือว่าทําไปแบบลุกๆทำคำไปก่อ น, นเมื่อมันได้อย่างนี้ก็ทําอย่างนี้ไป เ, ร, ร, เรื่อยๆแต่ครูอาจารย์เลื่อนรูปบสุขท่านก็ไม่ได้บอกว่าให้เราทําอะไรยังไงท่านก็บอกเพียงแค่วัดปฏิบัติอะไรไมอกขิงบดอาหารบดนอนอย่างเงี้ยจากเริ่มหนึ่งวันไปสองวันสามวันสี่วัน จนถึงห้าวันหันเจ็ดันอะไรเรื่องนี้ก็แปดค่ำกับสิบห้าค่ำห้ามนอนอธิษฐานจิตที่จะไม่นอนอาตมาก็ทําอย่างนั้นถามว่าได้ประโยชน์ไหมก็ประโยชน์ถ้าได้ประโยชน์ก็ถ้าอาหนึ่งร้อยก็ได้แค่หปรซประโยชน์หนึ่งเปอร์ซนต์เได้ประโยชน์ตรงนั้นยังไงมาทําให้อาตมาไม่ต้องกลัวความความหิวที่จะมาคอยบีบครั้นเรา คือมันมันหิวอ่ะเราอยู่กับความหิวเราฝึกที่ไม่ฉันอาหารแล้วก็อยู่ความหิวอีกที่มาแล้วก็จนสามารถอดทนต่อความหิวได้อดทนต่อความง่วงเหงาพอนอนได้แต่ต่อมาอดน้ํานี่ได้สองวันครึ่งวันที่สามจะตายคือคือมันเกินกวนาน้ำไม่ได้รู้สึกล้วตัวเรานี่ไม่มีเรี้ยวไม่มีแรงนะสองวันครึ่งที่ได้แค่เอาน้ำแตะปากเนี้ย ว่าได้ประโยชน์มันก็คือหคือเราได้รู้ว่าสิ่งที่เราทําำมันไม่มีประโยชน์นี <c oughs> ่คือคือประโยชน์ที่เราได้มันก็เราก็เลยไม่ไม่อยากจะทำอย่างนั้นอีกหรืออธิษฐานที่อยู่การแก้งอย่างเงี้ย <c oughs> คือสายกรรมฐานมันก็จะนิ่พุทโธเขาวัดกันนะอธิษฐานอยู่การแก้งเราตามเข้าไปที่ฐานเห็นฟ้าโปร่งดีก็คงไม่มีฝนตกแล้วเ่อวันนี้วันที่อธิษฐานคืนนั้นฝนดำตกลงมา ย้ายที่กไ็ได้คืออธิษฐานแล้วย้ายไม่ได้อธิษฐานมันจะอยู่การแจ้งเป็นวัดสามวันอย่างเงี้ยภาย้ายที่ฝนตกลงมาสามวันสามคืนอาตมานอนท่ามการใสายฝนนั้นก็เลยโอโหอออตั้งแต่นี้ต่อไปจะไม่อธิษฐานดูนกขวันมาเพี้ยนดีเราก็ทนหนาวมันมันไม่ได้เกิดปัญญาอะไรนะเราได้แค่ทนทนทนทนกับทนได้นั้นเอง คืออะไรก็ตามที่เราทําแล้วมันไม่เกิดปัญญาเราไม่รู้ไม่มีปัญญาเข้าไปไ ป, ไปเข้าใจสิ่งที่เราทำนะมันมันได้แค่ชั้นของการกดผลแค่นั้นเอ ง, เองมันไม่ได้ทําการระดับที่หนทีนี้เนื่องด้วยว่าอาตามาได้แง่มหรือว่าหลักคํำสอนได้จากสุมา <c oughs> ตุลิทโธที่ท่านบอกว่าจะปฏิบัติแบบนี้นก็ตามอาจม่เห็นชัดซึ่งการเปิดและการหลับท่องขันท่า ความรู้จักสัจธรรมตัวนี้เองทำให้ตามาสะดุดใจอตาตมาก็เลยมาที่นาเรื่องขันแล้วก็โน้มความสูอัลยยาสศีคือนหลวงปู่มัน่นานจะเน้นอัลยยาสศีมากข้อปฏิบัติทั้งหมดที่หลวงปู่มัน่นท่านอธิบายไว้นี่จะไม่หนีจากอัลยยาสศีเลยอตาตมาก็เลยได้ใจความของอริยยาสศีนี่ยจากคําสอนของหลู่มัแต่เป็นความเข้าใจเฉพาะอตาตมา หลวงปู่มันไม่ได้พูดแบบที่อาจามากําลังอาจารอธิบายแต่เป็นความเข้าใจที่อาจามาเข้าใจและจะนํามาบอกให้เรารับทราบอีกข้อหนึ่งส่วนพวกเราที่รับฟังก็ก็พิจารณาดูว่าจะได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์อย่างไรนะในอายะศาศีเราท ร, ราบแล้วคือทุกสมุนทัยนี้หมดมานแต่ การที่จะเข้าปฏิบัติไปปฏิบัติต่ออริยสี่เนี่ยเราเข้าใจในการที่จะปฏิบัติต่ออริยสี่แค่ตรงนี้ปฐมาจึงอธิบายหรือว่าบัญญัติภาษาที่จะใช้เรียกในแต่ละอริยสัจแต่ละข้อให้นักศึกษาได้พยายามก้มบทถูกว่าทุกขสัจจะควรกำหนดย่างไรสมุทัยสัจจะควรกหนดย่างไรนิโรธสัจจะควรกำหนดอย่างไรแล้วก็มรรคสัจจะควรแกกำหนดอย่างไร อาตมาจึงอธิบายทุกข์สัตว์ในสองแง่แง่แรกเขาเรียกว่าทุกแท้แง่ที่สองเาเรียกว่าทุกเทียรทุกแท้เนี่ยเป็นทุกที่เกิดในกายในจิตอยู่แล้วเขาเรียกว่าทุกแท้คือเป็นสัตจับแท้แท้คือเป็นทุกแพ้แท้สัตจับแท้แท้หรือทุกแพ้แท้เนี่ยตามที่วงทรงกลับไปเขาเรียกว่า ความแก่ความเจ็บความตายความพัดพลาดความไม่ได้ดั่งใจหมายความโศรโศกความพิลีปิไลรับพันความปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นความคับแคบอารมณ์ที่บีบคั้นทางจิตพวกนี้ยเป็นทุกแท้ทุกแท้เนี่ยถูกกล่าวไว้ว่าควรยอมรับยอมรับการที่เราจะต้องยอมรับทุกแท้เพราะว่าทุกแท้เราเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ เมื่อเราเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้เราก็มีอยู่ทางเดียวก็คือต้องยอมรับใหม่อะไรที่เราเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ก็คือต้องยอมรับอันนี้เรียกว่าเป็นสัจจ์โดยตัวของมันเองคือความทุกข์ทุกขสัจจ์ส่วนทุกข์ไม่แท้เนี่ยคือความทุกข์ที่เกิดจากความไม่ยอมรับทุกข์แค้เนี่ยอัตลนกี้เรียกว่าทุกข์เทียมคือมันไม่มีอยู่จริงเป็นแต่เราสร้างขึ้นด้วยอำนาจของปวิชชา คือมันเกิดขึ้นมาจากความไม่รู้ในตัวพุกเนี้ยเมื่อเราไม่รู้ในตัวพุกเนี่ยมันจึงเกิดเป็นความอยากที่ก่อให้เกิดอุปทานแรงยึดเมื่อใดก็ตามที่ความทุกเกิดกับเราแล้วเราปฏิเสธไม่ต้องการปรับมันออกหรือไม่อยากให้เกิดขึ้นทั้งหมดเราเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ อยู่ในจิตเราอยู่แล้วว่าไม่มีใครต้องการภูปก็เพราะไม่มีใครต้องการภูพนั่นแหละพุทธเจ้าจึงสอนใพยายามบอกให้เราหรือว่าสอนพวกเราเนี่ยได้เข้าไปเรียนรู้รู้ก่อนว่าภูพเนี่ยที่มันเกิดเนี่ยมันมีมาเพอาอะไรตรงเนี้ยบางคนก็บอกว่าพระอาจารย์การที่พระอาจารย์บอกว่าเราเนี่ยไม่ต้องการภูแล้ว ไม่ปฏิเสธพวกก็แสดงว่าแสดงว่าการที่เราปฏิเสธพุกเนี่ยมันทำให้คนเขเรียกว่าเป็นอะไรเป็นเป็นคนที่เนี่ยบางทีการการใช้ภาษาเนีอาตมามีปัญหาเรื่องอระบบสมองเนี่ย แ, แต่ก่อนเนี่ยอั เป็นโรกบูบเซลล์ <c oughs> สมองมันมันมันเสียไปโรกบูบคือเดินเดินอยู่แล้วก็บูบแล้วก็สลบไปเนี่ยพอฟื้นขึ้นมาครั้งแร ก, แรกเนี่ยลิ้นจะแข็งแล้วก็พูดไม่ชัดมันจะ ก, กระด้างแล้วก็แต่การรักษามาเรื่อยๆก็จะดีแต่มีบางครั้งจะสะดุดจะสะดุดอย่างเงี้ยบางคนขาบอกว่าผ่าจานไอการที่เราไม่ชอบทุกเนี่ยมันน่าจะเป็นความถูกต้องแล้วไม่ใช่เหรอพราะเราจะได้ดนีออกจากมัน ถ้าพระเจ้าบอกว่าเราอย่าไปปฏิเสธมันให้ยอมรับก็เท่ากับว่าเรา ก, เราก็เราก็ต้องเป็นภูเขากับมันไปตลอดอย่างเงี้ยแล้วเราจะออกจากมันได้ยังไงประมาณเนี้ยทีนี้ตามมาเขาบอกว่าการที่เราไม่ปฏิเสธการการที่เราปฏิเสธหรือว่าการที่เราไม่เข้าใจสิ่งที่มันเป็นพวกอยู่โดยตัวของมันเองแล้วเราพยายามที่จะ จับมันปฏิเสธมันไม่ยากให้มันเกิดสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันจะสร้างทุกเพิ่มจากทุกเดิมที่มันกําลังเป็นอยู่เมื่ อ, อไรเท่ากับที่เราพยายามเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ความทุกโดยเอาความทุกเนี่ยเป็นเครื่องถัดเปลาจิตให้รู้จักยอมรับความทุกที่เป็นในชีวิตเมื่อนั้นจิตของเราจะบริสุทธิ์เพราะมันจะบริสุทธิ์ได้ยังไงมันจะดีมาได้ยังไงเรียนคําถามบางคนหรือลูกศิษย์ที่เคยถาม อาตมาเขาเลยเปรียบเทียบว่าเราจะฝนมีดเนี่ยเราจะใช้หินที่มันเรียบเรียบได้ไหมเอาไปฝนลากมีดฝนมีดล่ครบาลีดโอไม่ได้ต้องใช้ที่มันกรูขัะที่เป็นหินหินที่กรูขัะเพื่อที่จะรับให้มันคมเพื่อเจ้าพยายามชี้สอนให้เราได้ใช้พุกเนี่ยเป็นเครื่องฝึกฝนจิตเพื่อให้จิตของเราเนี่ย มันเกิดปัญญาการที่พระพุทธเจ้าบอกว่าความทุกข์หากเราสามารถยอมรับมันได้แล้วจะเกิดปัญญาได้เนี่ยเป็นการชี้หลักความจริงที่เป็นอย่างนั้นจริงๆนั่นเท่ากับว่าเป็นคำบอกไว้ตายตัวเลยว่าทุกขัสัจจ์เนี่ยจะทำให้เรามีปัญญาแต่ความสุขจะทำให้เราขาดปัญญาเพราะฉะนั้นแล้วพระพุทธเจ้าจึงไมชี้ ความสุขในชีวิตของคนว่าเป็นสาระแก่สารแต่พวกชี้ความทุกข์เป็นสาระคือเป็นสัจจะที่เราจะต้องทําความเข้าใจและเรียนรู้ถามว่าทุกข์เนี่ยที่เป็นสัจจะเป็นตัวของมันเนี่ยการเกิดขึ้นของมันมันเกิดมาอย่างไงตามแบบเขาบอกตัณหาสามในเวลาที่เราไม่มีตัณหาความทุกข์มันเกิดขึ้นได้ไหมฮนะ เกิดขึ้นได้เวลาไม่มีความไม่นิดความอยากเพื่อตัณหาเนี่ยพอาู้ทุกเกิดขึ้นได้ไหมใช่ทุกข์แท้มันเกิดอยู่เพราะฉะนั้นแล้วอนาคยงบอกว่าเวลาความทุกข์ที่มันไม่มาจากตัณหามันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าในความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมาโดยที่ไม่มีตัณหาเนี่ยไม่มีตัณหาเนี่ยพรอครูยอดบอกว่าตัณหาขอ็นตที่เกิดทุกข์ใช่หมเป็นเหตุใช่ไหมเป็นสมุทัยเ็ก็เหตุ แล้วมันมีความทุกข์ที่ไม่ได้มีมีเหตุจากสมุทรไทยมีความอยากเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเราจะทํำยังไงมันก็ไม่เข้ากับหลักการที่พผมสมบัางไว้มันมันต้องมีเหตุของมันอาตมาจึงบอกว่าเหตุของมันมันมีมาแล้วคือปัญหาแต่ฟงก่อนมันมีมาก่อนแล้วทุกอันนี้เป็นผลฉะนั้นอาตมาจึงใช้คําว่าอธิบายคาว่าสมุทรไทยเนี่ยโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับปัญหาว่าเมื่อใดก็ตามที่ทุกข์เกิดขึ้น นั่นคือสมุทัยฟังเข้าใจไหมคำว่า ส, สมุทัยก็คื อ, ค อ, อสังบวกอุไทัยอุทยะอุทยะคืออย่างเช่นพระอาทิตย์อุทยคือขึ้นขึ้นอาทิย์ขึ้นเพราะ น, นั้นการที่พระาที่ขึ้นเนี่ยแสงสว่างก็ปรากฏหมายความว่าทุกเกิดขึ้นการเกิดขึ้นของความทุกข์คือสมุทัย แต่เป็นสมุทัยของอดีตใช่ทีนี้สมุทัยของอดีตมันส่งผลได้ขนาดว่าทําให้เราทุกเดนปัจจุบันทุกได้และก็ทุกได้ยยอย่างยืนเยื้นั้นเพราะมันเป็นเหตุปัจจัยขับเคลื่อนความชาติเป็นผลมันส่งผลไมได้ขับควา ม, มชาติตามที่บอกว่าทุกเกิดขึ้นนั่นคือเป็นสมุทัยก็คือสมุทัยเกิดก็ ค, คือทุกเกิดผู้ทีเจ้าบอกว่าทุกอยู่ที่ไหนสมุทัยก็อยู่ที่นั่นหนีจะกมันไม่ได้เพราะมันเกี่ยวโยงกัน เมื่อเรายอมรับทุกได้ก็เท่ากับยอมรับสมุทัยได้การที่ผมการที่เราสามารถยอมรับสมุทัยได้สมุทัยจะถูกละมันละได้ยังไงก็เราไม่ไม่สร้างตัณหาคือเราไม่สร้างความอยากเพิ่มจากความทุกเดิมที่เกิดมันคือถูกละไปโดยอัตโนมัติทีนี้แล้วไอ้สมุทัยที่มาจากตัณหาแท้ๆเนี่ยเป็นทุกข์เทียมเหราใช่ไหม มันไม่ใช่ทุกแค้แต่โดยสัตย์ใจคือโดยตัวของมันแบบว่าในสมุทัย น, ทนี่ยว่าไอ้ทุกตัวเนี้ยทุกที่เกิดจากความอยากของเราเนี่ยมันเป็นทุกมันเป็นทุกที่สร้างความทุกข์ในปัจจุบันในจิตเราขณะ น, นี้ที่กําลังจะเกิดเนี่ยหรือว่าที่เกิดอยู่คือกําลังสร้างทุกข์ให้กับเราในขนาดนี้เมื่อมันกําลังสร้างทุกข์กับเรานขนาะนี้เพราะตัวมันไม่ใช่ทุกแท้มันถึงรละได้ ถ้ามันเป็นทุกข์แท้อีกรากไม่ได้แก่เจียมได้รากไม่ได้แต่ทุกเทียมเนี่ยคือสมุทรสมุทไทยคือตัวความอยากมันก็คือทุกที่ถูกสร้างขึ้นใหม่จากความทุกเดิมพระราชาทมานจึงพูดไป็สองแง่ว่าทุกแท้เกิดก็คือสมุทรไทยเกิดเนี่ยมันมีสมุทรไทยกับทุกควบคู่กันอยู่แล้วเกี่ยวโยงกันเมื่อทุกดับไปสมุทรไทยก็ดับไปเมื่อใดก็ตามที่ทุกเกิด แล้วเราไม่ปฏิเสธฟองกุ้ง ค, คือไม่ใช้ความอยากเข้าไปแก้ไขเมื่อนั้นสมุไทยจะไม่ถูกสร้างขึ้นใหม่เมื่อสมุทัยไม่ถูกสร้างขึ้นใหม่พุกที่เกิดก็จะดับเกิดแล้วกระดับเกิดแล้วกระดับแล้วเมื่อกานที่ทุกเกิดดับเกิดดับโดยที่เรารู้อยู่ในจิตขณะนั้นขณะนั้นนั้นขณะที่ที่มันเกิดแล้วดับแล้วเราเห็นมันจะไม่สะสมเป็นอาสวะ แล้วหากเราตามดูการกระบวนการเห็นความทุกที่ดับลงไปในจิตโดยเห็นชาติว่ามันดับไปที่ไหนตัวนั้นจะเป็นตัวร้างครบชาติทั้งหมดที่จะไม่สืบต่อเป็นไปในปุแต่เราจะค่อยๆร้างไปเรื่อยๆเกิดขึ้นตามกำลังของการเห็นของเราว่าเราเห็นทันแค่ไหนทุกเกิดทุกดับทุกเกิดทุกเราเห็นท่านาแค่ไหนทีนี้เมื่อจะา ม, มาพูดทุก ที่เกิดที่ดับในแง่นี้ก็จะนํามาสร่งความสงสัยว่าแล้วไอ้ตัณหาเนี่ยเป็นของควรละเนี่ยถามว่าเวลาเราละตัณหาไม่ได้เราจะทํำยังไงกับมันจริงๆพระเจ้าบอกว่าไอ้ตัณหาเนี่ยมันเป็นตัวก่อที่เกิดทุกข์นะนั่นคือหมายถึงว่าทุกข์ใหม่เราต้องเข้าใจว่าคือทุกข์ใหม่ไม่ใช่ทุกข์แค่คือเป็นตัวทุกข์ใหม่การที่ตัณหาตัวก่อให้เกิดทุกข์ใหม่ตัวเนี้ย เมื่อมันมีมันองทุกข์ถือว่าเป็นเรื่องปกติใช่ไหมเพราะตัณหามีมันก็ต้องทุกข์แต่ปรากฏว่าตัณหามีในใจเราแล้วเราทุกข์เพราะหน้าแข็งตัณหาแต่แต่เราจัขยับเขาไปละที่ตัณหาเนี่ยคือการปฏิบัติของเราเอาพวกผู้ไเจ้าบอกให้ละนี่เหรอ ตัณหาเป็นของตัวท่านเหนรอปัญหานะปัญหาต่บันทึกแล้วแล้วเราบอกว่าไปรับตัณหาแล้วทําไมป็นปฏิบัติดการที่พระเจ้าบอกว่ า, วาตัณหาเป็นของตัวท่าไม่ใช่ว่าเราจะไปรับตัณหาแต่การการที่เรารู้ว่าตัณหาเป็นเหตุที่เกิดทุกข์อันนี้คือเป็นความเข้าใจว่าการที่เราทุกขนะ์เน่ยเพราะตัณหามีอยู่ ผูกต้องไม่ใช่ความผิดเมื่อใดก็ตามที่เราเข้าใจได้อย่างนี้เมื่อนั้นตัญหาเขาจะผูกรู้ว่าเมื่อใดก็ตามที่ตัญหาเกิดเราต้องปุ๊พอตัญหาขอให้มันเกิดมนพุกแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วหลักธรรมชาติมีการกำหนดไว้ตายตัวอยู่ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ต้องดับ เขาว่าสิ่งใดเกิดสิงนั้นต้องดับมันนั่นหมายถึงว่าเราไม่ได้ต้องการให้มันเกิดมันก็เกิดขึ้นด้วยตัวของมันเองเมื่อเราไม่ต้องการให้เกิดแล้วมันเกิดขึ้นมาด้วยตัวของมันเองเราก็ต้องใช้หลักของกฎสัจธรรมที่กล่าวไว้ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นมาด้วยตัวของมันเองมันก็ต้องดับไปด้วยตัวของมันเองการที่มันเกิดขึ้นมาด้วยตัวของมันเองแล้วดับไปด้ด้วยตัวของมันเองเท่ากับว่าตัวของมันก็ ไม่ได้มีอยู่โดยตัวของมันเองก็คือมันตับตัวของมันเองเมื่อใดก็ตามที่สมุทรไทยเกิดแล้วเราพุกกับมันและเราสามารถรู้จักว่าสมุทรไทยนี้เกิดแล้วเราต้องพุกกับมันเมื่อใดที่สมุทัไทยยังไม่ดับพุกก็ยังมีอยู่และเมื่อใดก็ตามสมุทไทยดับพุกก็จะดับไปนั่นหมายถึงว่าตัณหาเกิดเราก็ต้องยอมเป็นพุกกับมันก่อนในเวลานั้นแลวเมื่อตัณหาดับพุกก็ดับไป การที่เรารู้จักตัณหาเกิดและตัณหาดับอันนี้คือความรู้เพื่อรักตัณหาการรักตัณหาถามว่ากิเลสหมดไปไหมยังไม่หมดมันเป็นแค่ดับทุกข์เท่านั้นเองคือเราไม่ทุกข์เพราะอนาจแหงตัณหาเท่านั้นเองแต่กิเลสยังไม่หมดนะเพราะกิเลสไม่ได้อยู่ที่ตัณหากิเลสอยู่อีกตัวหนึง่งแล้วเราจะรู้ว่ากิเลสอยู่ตัวไหนทีนี้ เมื่อตัญหาเกิดตัณหาดับตัณหาเกิดตัณหาดับเราเห็นการดับของตัณหาอยู่บ่อยๆอาตมาจึงบัญญัติการบัญญัติคาขึ้นมาในนิโรธสัจจาว่าเมื่อเห็นตัณหาดับได้เมื่อไหร่นั่นแหละคือเป็นนิโรธนิโรธเป็นของควนคําที่แจ้งข่าว่ากวรทำให้แจ้งคือเราต้องเห็นตัณหานี้เกิดและดับบ่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเือยู่เรื่อยๆทุก ย, ย, ย, ย, ย, ย, ย, ย, ยอมรับ สมุทัยให้รู้ว่าเราต้องลัแล้วก็นีโลดควรทําให้แจ้งการที่เร า, เ, าเห็นสมุทัยเกิดหรือว่าตัณหาเกิดแล้วตัณหาดับอย่างที่าอาจาอธิบายว่พาพระอาทิตย์ขึ้นก็พระอาทิตย์นั่นแหละตกใช่ไหมมันจะเป็นอย่างอื่นตกไม่ได้ก็สิ่งที่ขึ้นนั่นแหละคือสิ่งที่แล้วนั่อตกไปสมุทัยเกิดคือตัณหาเกิดก็ตัณหานั่นแหละดับ เพราะนิโรธเรวสมุทัยกับนิโรธจึงเป็นของเกี่ยวโยงกันคู่กันแยกกันไม่ได้เมื่อตัณหาเกิดก็ตัณหาในะระดับการที่ตัณหาดับมาตามจิตวิาณนี่แหคือนิโรธทีนี้ข้อมัดเรียกว่าทุกขนิโรธทามินีปฏิปทานข้อมัดกําหนดไว้ว่าสามาทิฏฐิเป็นปุกรับเข้ามาต้องกระทาก่อนข้ออื่น แล้วในสมาิติกําหนดไว้ว่าเห็นเห็นอะไรเห็นเห็นทุกเห็นเห็นเห็นโลตเพราะฉะนั้นการที่เราจะปฏิบัติในข้อมากได้เราต้องเป็นปฏิบัติที่อนุญาตสามข้อหมายความว่ามัดเนี่ยต้องปฏิบัติโดยการเข้าไปเห็นทุกเห็นเห็นที่เกิดทุกเห็นความดับ และเห็นว่าปฏิบัติอย่างนี้แหละคือการเจริญมะพอเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเองพุทธเจ้าจึงใช้คำว่าตมบาลิวตังดาวารสาการัญยาคาภูตัญยานรสนันนสุวิสุธานโฮสิตราบใดที่เราไม่เห็นการเวียนรอบสามประการของอริยสัต์เราไม่สามารถแตสรู้ทําได้พวกเราสามารถแัสรู้ทาได้เหมือนการหาเราปฏิบัติอย่างนี้การแสรู้ทำไม่ใช่เฉพาะผูุ้ทธเจ้าน การตัสสุดุรำมีอยู่สามจพวกจพวกแรกคือสมาสุทธ h จำพวกที่2องปฏิเยกับพุทธะจาพวกที่สาคือสาวกพุทธะหรือว่าอนุพุทธะนะแต่สาวกพุทธะก็เรียกเนแัตุรุวันไปอนุพุทธะจะเรียกาอรหันเป็นอนุพุทธะเป็นผู้ผู้รู้ตามรู้ตามุริยาเพราะนั้นการตัสรุเนี่ยพระยาบอกว่าก็สุนทรัฑ์เ่็เพียงแคในการที่จะตัสรุในเบื้องหน้านั่นหมายถึงว่าอริยสัจส วิธีปฏิบัติก็คือมักจะต้องกางครอบไว้กับอริยสัจสีเนี่ยให้เบียงรอบอยู่ในจิตหากเราไม่สามารถรู้จักทุกและไม่รู้ว่าสมุทยัยแล้วก็ไม่รู้จักความดับไปของสมุทยัยเราไม่สามารถที่จะทำลายสามาทธิดนะ ไ, ได้เพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่า ปัญญาอันเป็นไปเพื่อความชำแหละกิเลสคือปัญญาอันเห็นความเกิดและความดับเมื่อคํานี้เป็นคาํากำกับไว้ตายตัวหรือตัดไม้ตายตัวแล้วว่าปัญญาเห็นความเกิดดับคือปัญญาชำแหละกิเลสเราจะไปทำลายกิเลสที่อื่นไม่ได้แล้วกิเลสมันคือตัวไหนเราอาจจะไม่รู้ว่ากิเลสคือตัวไหนเราจะบอกว่าโรคปวดร้องเกิเลสแต่มาบอกว่าไม่ใช่เอาไม่ใช่ได้ยังไงก็เราก็เข้าใจกันมาอย่างนี้เอาความโปวดไม่ใช่กิเลสหรือ ความโลภไม่ใช่กิเลสหรือความหลงก็ไม่ใช่กิเลสมันไม่ใช่แล้วเราจะอธิบายยังไงว่าไม่ใช่เพราะเราเข้าใจว่าความโลภความโกรธความหลคือกิเลสบางทีเรากลัวที่จะได้อะไรมาความโลภคือลาะโลภคือสิ่งที่ได้มาโภชันคือความโกรธแล้วก็โมหะคือความหลงเียความหลงเนี่ยน่าจะเป็นชื่อของกิเลสแท้ๆเลยเป็นโมหะจิตเป็นเป็นเป็นสิ่งที่มันไม่เรียกว่า เป็นอากุศลเนี่ยใช่ไหมแล้วมันจะบอกว่าโลภะโศสะโหรายมันไม่ใช่กิเลสแต่ s <S มันเป็นรากเง่ารากเง่าของกุศลเอาแต่เอารากเง่าของอกุศลแต่ตัวของมันไม่ใช่กิเลสมันเป็นแค่รากเง่าของอกุศลพวกเราจะต้องยอมรับว่าพวกเรามีความโลภกันแต่อย่าให้ความโลภเนี่ยไปเป็นรากเง่าของอกุศล หมายถึงว่าเราโลภได้แต่อยู่ในขอบเขตของคุณธรรมศีลธรรมประมาณนี้โกรธได้แต่ไม่ร่วมงอกุศลหลงได้แต่อย่าร่วงอกอุศลบางคนเอาหลงแล้วมันไม่ร่วงอกุศลได้ยังไงคนเราหลงยึดในตัวเองคือหลงยึดว่าเรามีตัวมีตนแต่การที่เราหลงว่าเรามีตัวมีตนแล้วเราไม่ทําอกุศลได้ได้เราไม่ร่วม อ, อกุศลก็ได้เรามีปณิปาตาเวรมะนีอภิณฐานเวรมณ น, นี การมีซุ้มไม่ช้าได้มุสาวาท า, แานแล้วก็สุรานี่อะไรอย่างสิ่งเหล่านี้ยมันทําให้เรามีความโลภความโกรธความหลงแบบไม่ร่วมอกุศลอยู่แล้วนะเพระอะไรให้พวกเราไม่โกรธได้ไ้ยไม่ได้ให้พวกเราไม่โลภได้ไหมไมได้ไม่ได้มันมันมันมันโลภมันต้องโกรธแต่ว่าความความโลภเนี่ยมันเป็นกิเลสที่กําลัง ถ้าเราถูกสอนว่าเป็นกิเลสมันก็เป็นแต่ถ้าเรามาเข้าใจว่ามันไม่ใช่กิเลสเราก็ไม่ต้องไปทําอะไรกับมันแต่ให้เข้าใจว่าเมื่อมันเกิดแล้วอย่าให้มันร่วงอับปุษต์ตอนนนเองพรเจ้าจึงบัญญัติสีไว้เพื่อเพื่อเพื่อสิ่งนีน้เพื่อให้เราได้เจริญคุณธรรมให้มันยิง่งขึ้นไปในจิตคุณค่าของสีจะเข้ามารองรับเมื่อเราเข้าใจตรงนี้ฉะนั้นแล้วอย่าไปมีปัญหากับความโกรธความปดของม โ, โ, โลเราต้องเข้าใจว่าสีที่พระเจ้าให้ละ ไม่ใช่ความโง่ความกรวหงพองคให้ลกอะไรละอะไรไม่ใช่สมุทัยพระพุทธเจ้าก <buckle in Gang> ็บริบบบที่ละละวิชาละสกายยิดิิฏฐินิจิกิชาสีระพัตตะปรามาตจะไไม่ได้บอกให้ไลที่โลคที่โกรที่หลงนะสกายยิิฏฐินิจิกิชาสีระพัตตะรมนี่เป็นคำกากับใจตัวมุงคงหนูอ่ะ ถ้าเราไม่ละความโลภความกวดความโงงแล้วเราจะไปละสกัดยิกงติได้ยังไงเนี่ยแหละมันเลยทาให้พวกเราไม่เข้าใจเราศัตรสัตวมมาอยู่กับลูกปู่นะถ้าไม่ได้มาบอกมาสอนเราต้องลกอะไรนะต้องระอันนันอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ท่านไม่ได้สอนแต่ธรรมาเนี่ยพยายาที่จะทาความเข้าใจว่าผู้ได้เจ้าให้ลกอะไรกันแน่ที่สอนให้ละละล่ละละอะไรไปอ่านในพระไตรปิฎกก็ไปเจอสัญญวสิทธเนี่ยสังญวสิทธิ์ว่า บุคคลละสักกายุทธิวิจิกิชฌาศีราาพัตตรารามาได้แล้วเรียกว่าสดาภัง อ, อ่ะเราไม่ได้ละความวกความปวดของหวงปว่าละสกกายุทธิวิจิกริชฌาศีรพัตปรารามาแค่นั้นละสักการยุทธิคืออะไรความเห็นผิดในกายอย่างเดียวเหรอในอะไรสักกายาก่างเขาบอกไปแล้วว่าขันใช่ไหม เนี่ยสักสร้างพร้อมกายยคือความเห็นกายพร้อมรัตมันหมายถึงว่าเห็นกายแล้วก็สิ่งที่อยู่ในกายพร้อมอไกันขึ้คือจิต น, นั่นเองกายกับจิต น, นั่นแหละเขาเรียกว่าขันห้าเห็นขันห้าผิดเห็นผิดยังไงเห็น ผ, ผิดว่าเป็นตนเอาไอ้ปาร์ตี้ตรงเนี้ยมันเลยทำให้ตามาเกิดความเชื่อมโยงระหว่างคําสอนของปุ๋มัทที่อาารบอกว่าหาไม่รู้ชัดการเกิดการดับขันห้าจะไม่สามารถ เข้าใจสัจธรรมหรือไม่สามารถเข้าถึงสัจธรรมสัจธรรมจะไม่เปิดเผยต่อจิอตอาตมาจึงใช้สัญลักษ์สามประการ เ, เป็นหลักในการพิจารณาพิจารณาเพื่อดูการเกิดการดับของขันธ์หเพราะการดูการเกิดการดับจักเป็นไปเพื่อการชำระ ก, กิเลสตามบทที่พระองค์ทรงบอกว่าปัญญาเพราะนั้นปัญญาในพุทธศาสนาคือปัญญาอันเห็นความเกิดความดั บ, ดบไม่ใช่ปัญญาที่ไปรู้เรื่องอืงอ่นเลยนะ ถ้าไม่เห็นการเกิดการดับนะั่นคือไม่ใช่ปัญญาทีนี้เวลาขันห้ามันเกิดพระเจ้าคงบอกว่าเมื่อเรารู้จักขันห้าเกิดคือเรารู้จักทุกข์เพราะขันห้าเป็นทุกข์ใช่ไหมคือทุกข์ไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่มีขันห้าพวกเกิดขึ้นภายนอกไม่ได้นอกกายไม่ได น, นอกใจเราไม่ได้ขันห้าจึงเป็นที่ตั้งหรือเป็นที่เกิดแห่งความทุกข์นี่คือสัจจ์แล้วสัจจ์ข้อเนี้ มันบนเวียนอยู่กับเราเมื่อใดก็ตามที่เราเข้าใจขันห้าดยความเป็นสัจจ์ในตัวของมันทุกที่มันเกิดขึ้นในขันห้าแล้วตัวของมันก็ต้องเป็นทุกข์เพราะขันห้าเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์การที่ขันห้าเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์และทุกข์เกิดขึ้นถือว่าเป็นความผิดปกติของขันนี้เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ต้อง จะไปเป็นธรมราเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นมีความทุกข์อันใดบ้างที่มันตั้งอยู่ตลอดเวลาไม่มีอยู <c oughs> ่ตอนที่ความโปวดจะเกิดขึ้นความปวดไปอยู่ที่ไหนมีไหมไม่ ม, ไ ม, ม, ไ ม, มีไม่มีอยู่แล้วนะและไม่มีอยู่เลยนะหรือมีอยู่ไม่ ม, ม, มีแล้วความทุกข์ความปว ด, ดเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นตอนไหนผันส่ะกระพบ เรื่องเมื่อความบอดที่มันเกิดขึ้นจากภาษาที่กระทบแล้วเนี่ยเวลามันดับไปแล้วมันมีอยู่ไหมมันไม่มีนะไม่มีคือไม่มีเลยหรือหรือดับไปแล้วยังไป ม, มีอยู่ที่ อ, อื่นอีกไม่มีเลยถูกต้องนั่นก็ต้องบอกต้องบอูกนะ้เนี่ยก็ถูกแล้วนั่ <laughs> เนเ่ย อันนี้แหละคือสิ่งที่เราจะต้องนี่นี่คือคือสิ่งที่อาจมาต้องการจะบอกให้เราได้เห็นตรงเนี้ยให้เห็นว่าความปวดก่อนที่มันจะเกิดมันไม่มีตอนเกิดมันเกิดเพราะมีผัสสะจึงมีเมื่อมันจับไปมันก็ไม่ได้เหลือไม่ได้เหลืออยู่ที่ไหนไม่ค้างอยู่ที่ไหนไม่ไม่ไม่ไม่คงอยู่ไม่ตั้งอยู่แต่ก็ไม่เหลืออยู่ในที่ไหนถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้เป็นปาดฐานแล้วนะ มันง่ายมากที่เราจะสามารถดำเนินจิตไปในทางอริยมรรคความรักกอดจะเกิดมันมีอยู่ที่ไหนไม่มีมันเกิดขึ้นเมื่อประสบกับสิ่งอันเป็นที่รักแล้วมันดับไปเมื่อบดจากสิ่งอันเป็นที่รักและวางทีสิ่งอันเป็นที่รักก็สร้างความโกวดได้ทรางได้ไหมสร้างได้ดยิงสร้างได้ดเลยที่รักนั่นแหละย่งนะเอ้ตรงเนี้ย เราสามารถรู้ได้เลยว่าแม้อารมณ์ที่มันเกิดกับเราเองเนี่ยมันมันก็เกิดกระดับไปมันไม่ได้มีอยู่โดยตัวของมันเองอย่างนี้ความหลงที่ยึดในกายเราโมหะเนี่ยที่เราหลงยึดในตัวเราเรียกเป็นไปเพื่อความโลภความโกรธเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่กิเลสโดยตัวของมันแต่มันสร้างขึ้นให้เราได้ไหมได้การที่มันสร้างขึ้นให้เราได้เป็นเรื่องผิดปกติไหมไม่ผิดปกติเรื่องปกติฉะนั้นแล้ว การที่เรากําหนดนอกรู้อย่างนี้มันจะค่อยทําลายความเห็นผิดได้หลายประการที่เรามวลจะไปบุ้นอยู่กับการแก้สิ่นั้นแก้สินี้ให้มันแก้ดีจุดเดียวคือความเห็นผิดในกาในขันอารมณ์แห่งความโกรธเกิดขึ้นหนึ่งอารมณ์ขันห้าเกิดขึ้นพร้อมกันแล้วเช่นความโกรธเป็นสัขารขัน ความรู้สึกไม่ไม่สบายหรือว่าเป็นพุกเป็นพุกขบเคา้ันอาการมากลักในกายเป็นลูกปะกระหันการรับรู้อารมณ์แห่งความโกรธเป็นวิญญาณขันการทรงจำความโกรธนั้นไว้ในจิตเป็นสัญญาขันใครที่ยังจำความโกรธไว้แล้วบังไม่ได้ก้ เยอะเลยอ่ะทีนี้ทาไมถามว่าสัญญาขันที่จําความปวดไว้เนี่ยมันสัญญาขันภาหน้าที่ในการจําถูกต้องไหมการที่สัญญาขันไม่จําเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกตินะเอาไม่ใช่ไม่ใช่ปัญญาอ่อนหมายถว่าสัญญาขันเนี่ยมันมันมันเป็นภาวะปัจจุบันนะจิต คือมันเครืประอกอบที่นิพพานแต่อารมณ์ที่ปรากฏกับสัญญาขันนั้นเป็นอดีตฉะนั้นแล้วคําว่าอดีตนั่นคือสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงหมายถึงว่าสิ่งที่เคยเกิดขึ้นจริงแต่ก็ดับลงไปจริงแล้วในคราวครั้งก่อน <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> การที่เรายังจดจําอารมณ์แห่งความโกรธไว้เพราะตัวสัญญาเป็นตัวจําอารมณ์เป็นสิ่งที่ท่วไปดับไปหมดไปฉะนั้นแล้วสัญญาขัน ทุกๆเรื่องที่ปรากฏกับจิตแม้เราไม่อยากจะจำแต่มันผลขึ้นมาเองอัตโนมัติโดยตัวของมันแล้วทาให้เราปรุงแต่งต่อเนี่ยนั่นก็ถือว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดโดยสัญญาขันเป็นเรื่องไม่จริงสักเรื่องเมื่อเรากําหนดรอบรู้ว่าสัญญาขันอารมณ์เกิดเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยนี่คือสัญญาขันเกิดขึ้นคำเรียกว่าทักจิตเข้าไปทักที่มันเกิดเลยว่านี่คือสัญญาขันเกิดขึ้นนี่คือสัญญาขันดับเมื่อมันดับ เราจะต้องไม่เข้าไปดับมันแต่เราจะปล่อยให้มันเกิดโดยธรรมชาติของมันและปล่อยให้มันดับโดยธรรมชาติของมันเองเราทําหน้าที่ในการรู้การเกิดขึ้นของขันและ ร, รู้การดับไปของขันนั่นหมายถึงว่าอารมณ์ใดๆก็ตามที่อาศัยขันเกิดขึ้นไม่มีเรื่องจริงสักเรื่องเพราะมันเป็นเรื่องที่ล่วงไปแล้วลบไปแล้วดับไปแล้วหมดไปแล้วไม่มีอยู่จริงสักเรื่องหากเราไม่รอบรู้ในสัญญาขันข้อ น, นี้เราจึงมีการปลูกแต่งตออกพระเจ้าจึงบอกว่า สังขารขันเป็นไงคือการที่ปรุงแต่งสังขฆธ ร, รรมในใ น, ในบทในบทที่ที่ถูกแปลมาว่างเนี้ยการปรุงแต่งในสังฆธรรมในรูกปรุงแต่งสังฆธรรมในเวทนาปรุงแต่งสังฆธรรมในสัญญาปรุงแต่งในสังฆธรรมในสังขารคือตัวมันเองก็ต้องปรุงแต่งสังฆธรรมในตัววิญญานี่คือสังสัขารขันฉะนั้นแล้ว สำคัญขันจะปรงแต่งต่อก็ต่อเมื่อเรารู้สัญญาขันไม่ทันเพราะการปรงแต่งจะปุงแต่งได้ก็ต่อเมื่อมีสัญญาขันเป็นข้อมูลในการปุงไม่มีเรื่องไหนที่เราคิดไปแล้วหรือปุงไปแล้วโดยที่ไม่มีสัญญาเป็นเครื่องรองรับน่นหมายถึงว่าเราจะไม่สามารถคิดเรื่องที่เราไม่เคยจำไว้เลยทั้เรื่องได้มีใครคิดได้ไหมเรื่องที่ไม่เคยจำไว้เรื่องไม่มีนะ แต้เราเคยจําเรื่องไว้ก่อนแล้วจึงนําไปสู่การคิดได้หรือปรุงแต่งต่อได้ฉะนั้นแล้วหากเราจะหยุดการปรุงแต่งต่อได้เราก็ต้องม า, มากำหนดรู้สัญญาขันตรงนี้ให้หันเรื่องแล้วก็ตามที่ปรากฏกับจิตล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่เราเคยสัญญาขันเป็นทรงจกสัญญาขันเป็นตัวปัจจุบันมันทําหน้าที่จําไม่ถิดแต่อารมณ์ที่เกิดโดยอาศัยสัญญาขันนะทําให้เราหลงเข้าใจว่า สิ่งนั้นทําให้เราพุกสิ่งนี้ทำให้เราพุกสิ่งนี้ทําให้เรารูนว่าสิ่งนั้นทำให้จิตใจเรามันบั่นบั่นฉะนั้นการลบรู้สัญญาขันว่าสัญญาขันเกิดแล้วเข้าไปทักอาลงที่ความหลงกติว่ามันไม่ใช่ความจริงมันเป็นเพีแค่ความจำมันเป็นความจําของสัญญาขันนี่คือสัญญาขันจำไว้นี่คือเรื่องที่สัญญาขันจำนี่คือเรื่องที่เกิดกับสัญญาขันสัญญาขันเกิดขึ้นสัญญาขัน เป็นอยู่แล้วก็สัญญาขันดับนี้ก็ต้องเห็นการดับเลยนะถึงจะบอกว่าดับได้ไม่ใช่ว่ามันตั้งอยู่แล้วจะบอกให้มันดับทั้งดำทั้งหั บ, บยังไม่ได้มันมันเป็นการเห็นตามควาเป็นจริงเพราะฉะนั้นเกิดจริงตั้งอยู่จริงดับจริงก็ต้องเห็นทัง้งทั้งสามอาการทั้งการเกิดการทั้งอยู่และการดับหากเราเห็นได้อย่างนี้ยมันจะหยุดการปรุงแต่งต่ออัตโนมัตินะการที่เราเล่ารู้สัญญาขันได้อย่างนี้อยู่เรื่อยเรื่อยๆ สัญญาขันเป็นทุกข์สัจจะการเกิดขึ้นของสัญญาขันเป็นสมุทัยสัจจะการดับไปของสัญญาขันเป็นนิโรธสัจจะการที่เข้าไปรู้ว่านี้คือสัญญาขันเกิดขึ้นสัญญาขันตั้งอยู่สัญญาขันดับไปนี้เป็นมรรคสัจจะการเดินมากก็คือรู้จักการเกิดการตั้งอยู่และการดับของขันเพราะขันหนึ่งขันเกิดขึ้นจะต้องมีขันห้าครบอยู่ในนั้นมันอาศัยกันเกิดขึ้นมันมันไม่ได้เกิดขึ้น โดยตวของมันโดดๆฉะนั้นแล้วการที่เรารู้ว่าทุกขัสัจจ์คือสัญญาขันอันนี้คือเราต้องเอาความรู้ที่ที่อธิบายมาเมื่อกี้มาเขาเรียกว่าเอามาตําหนดมาใช้การให้เรากำหนดรู้ว่าสัญญาขันเนี่ยเป็นทุกขัสัจจ์แล้วการเกิดขึ้นของสัญญาขันเป็นสมุทัยสัจจ์ผมก็บอกว่าเออมันเกิดจากความอยากไม่เห็นหรอสมุทยัย ความโกรธเกิดจากความอยากผัสสะใช่ไหมผัสสะผัสสะจึงมาเป็นเวทนาเวท น, นาจึงมาเป็นตัณหาแสดงว่ามันอยู่นอกเหตุผลของของสมุทัยเลยถ้าหากเราบอกว่าตัณหาเป็นตัวก่อให้เกิดทุกข์แล้วเมื่อสัญญาขันเกิดโดยที่ ไม่ได้มาจากรากเหง้าของตัณหามันก็ผิดจากหลักอริยสัจสีตัวนี้เราจะอธิบายยังไงตอนนี้เราต้องอธิบายว่าอาการของอาการของความโกรธนะอาการของความโกรธที่เกิดขึ้นแม้สิ่งนั้นที่ร่วมไปแล้วรับไปแล้วดับไปแล้วนะหากเราไม่รู้การเกิดขึ้นของอารมณ์โดยมัน อาศัยสัญญาขันที่เป็นตัวปัจจุบันเกิดเนี่ยหากเราไม่รู้ตรงเนี้ยความไม่รู้เป็นปัจจัยให้เกิดเนี่ยไอตัวลัเงาเนี่ยอาวิช า, า, ชาคือความไม่รู้เป็นปัจจัยที่เกิดอะไร ส, สังขารสังขารคืออะไรอาตมาบัญญัติคําสังขารตรงเนี้ยว่าก่อนที่มันจะเป็นการปรุงแต่งเป็นบุญหรือเป็บาปกคุณยามีสังขาระคุณยามีสังขารเนี่ย ก่อนที่พระเจ้เข้าไปปรุงเนี่ยแต่มาใช้คำเมื่อใดก็ตามที่เราไม่รู้อารมณ์ที่เกิดในจิตเนี่ยเมื่อนั้นมันจะเกิดการหยั่งลงของขันอีกอีกชั้นหนึ่งการหย่งลงของขันคือเราต้องเข้าใจคาว่าอุปทานขันอุปทานขันก่อนนะอุปทานขันเนี่ยมันเป็นพูกว่าโดยวิวัฒนากานเป็นผู้เมื่อขันเป็นพูกโดยตัวข้อมันเองพระเจ้าไม่ให้ไปไม่ให้ไปแก้ไขที่อุปทานขัน แต่ผู้ย่อให้แก้ไขที่อุปทานในอุปทานขันสองใช่อุปทานใหม่อุปอย่างเช่นงูเราได้ยินเสียงนี่คือวัตถันขันตาเรามองเห็นและรับทราบได้นี่คือวัตถันขันเราดมกิ่นเราลืมว่าอารมณ์ที่เกิดกับกิจจะเป็นสุขก็ตามผู้ก็ตามดีใจก็ตามไม่ดีใจก็ตามพอใจก็ตามไม่พอใจก็ตามพวกนี้เป็นอุปทานขันความรู้สึกทั้งหมดเป็นอุปทานขันหรือว่าเป็นทุกขประสาทจับอามองของ ความโกรธควโกรธควาพวกตัวเนี้ยมัเป็นอุวัตานั้นมันไม่ใช่กิเลสกิเลสแท้ๆมันอยู่ที่อวิชาตัวเนี้ยตัวแท้ๆอะไรอยู่ตัวเนี้ยตัวที่เป็นดุวกิเลสเนี้ยมัอยู่เนี้ยฉะนั้นแล้วเมื่อใดก็ตามที่เราเห็นสัญญาขันโดยมีอารมณ์เป็นที่อาศัยเกิดสัญญาขันที่มันเกิดหมายถึงว่าอารมณ์จะปรากฏโดยปราศจากการรับรู้ของขันไม่ได้ และอารมณ์ะจ ะ, สะแสดงตัวผ่านขันเท่านั้นไม่สแสดงตัวผ่านอย่างอื่นไม่ไมรู้ไม่เวทนาไม่สัญญาไม่สันขันก็บินยางมันมันจะต้องสแสดงและเมื่อมันสแสดงเกิดขึ้นมาแล้วปั๊กเนี่ยมันจะต้องมีขันห้าเป็นองค์ประกอบพร้อมในนั้นเพราะอุปทานขันมันจะยึดถือไว้โดยตัวของมันเองมันเป็นลักษณะของอุปทานของขันเพราะฉะนัะ้นผู้่อจะให้แก่อุปทานหรืออุปทานขันถ้าเราสามารถรู้การเกิดและการดับอของขันได้ อุปทานในอุปทานขันก็ยังไม่มีมันจะค่อยดับจึงอธิบายอารมณ์ของสัญญาขันเกิดนี้ว่าเมื่อไรก็ตามที่ไม่รู้ไม่รู้จิงอยางตัณหาีิไม่รู้จริงอยากเมื่ออยากแล้วจึงก่อที่เกิดการเกิดขึ้นของอารมณ์แต่ความอยากไม่แสดงตัวออกมาว่าเป็นผู้อยากได้ยังง ม, มันไม่ได้แสดงตัวผู้อยาก ความอยากแบบอ่อนๆที่เรามองไม่เห็นที่มาเกิดมาจากอวิชชาเมื่อแฝงอยู่ในอวิชชาตัณหาเนี่ยที่มันแฝงอยู่ในอวิชามันไม่ปรากฏตัวชัดแต่มันจะแสดงออกถึงการปิดบังเราไม่ให้รู้ความจริงในการเกิดและการดับของขันก็คือมีตัณหาแฝงอยู่ในนั้นที่เป็นตัวก่อมันขึ้นมาเมื่อใดก็ตามที่อวิชชาโดยมีตัณหาเข้ามาปุนแต่งกับจิตเมื่อไหร่ พชาติเกิดขึ้นเมื่อ น, นั้นฉะนั้นแล้วการที่เรารู้การเกิดขึ้นของขันแล้วก็เห็นการกลับไปของขันอวิชชาจะไม่สามารถเข้ามาคุมแต่งได้ขันก็จะเกิดและกระดับเกิดและกระดับเกิดและกระดับเกิดและกระดับตามภาวะที่มันเป็นอย่างนั้นนั่นหมายถึงว่าขันเนี่ยมันเกิดดับมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้ว แต่เราเด็กจนถึงผู้วันนี้ก็เกิดดับไปแล้วเพียงแต่เราไม่ได้เข้าไปเห็นอาการที่เกิดและอาการที่ดับในตัวของมันเราจึงผูกการปิดบังด้วยอวิชชาหุ้มห่อด้วยอวิชชาและผูกอวิชชาครอบนำตลอดทั้งชีวิตของเราทําให้เราไม่รู้เมื่อเราเข้าไปรู้ขนาดที่เกิดที่ดับที่เกิดที่ดับที่มันเกิดขึ้นจริงและดับลงไปจริงมันจะดับอวิชชาทุกๆุกครั้งที่มันเกิดและดับจะดับอวิชชาทุกครั้งและไม่นําสืบต่ออป ความโลภความโกรธความหลงทั้งหมดทั้งมวลมันจะไม่สืบต่อครบมันจะโลภและโกรธและหลงโดยกันเกิดและดับเกิดและดับตามภาวะแห่งความรู้ที่เราได้รู้ในขณะนั้นความรู้ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ที่เรากำลังรู้อยู่ในแล้วเนี่ยมันจะเป็นความรู้ที่ก่อให้เกิดการเข้าไปเห็นอารมณ์ที่เกิดกับจิตว่ามันเกิดมันดับทุกขรแล้วเมื่อเกิดรู้อารมณ์ในจิตก็คือตัวสติตัวสติจะไปกั้น อารมอื่นไม่ให้แทรกเข้ามาในขณะที่เรากำลังรู้การเกิดดับอยู่นี่สติจึงเป็นตัวกั้นกระแสต่างๆ mm hmm. เมื่อเรารู้การเกิดการดับการเกิดการดับ อ, อยู่เรื่อยๆสติที่มันรู้ทันต่อการเกิดการดับประกอบรู้ประกอบรู้แล้วมันจะไปรับทราบความว่างเมื่อดับไปเราจะเห็นความว่างปรากฏสติจะไปรวมอยู่กับความว่างและความว่าอันเนี้ยเราจะกเกิดปัญญารู้ และเข้าใจว่าสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นมาด้วยตัวของมันเองสิ่งนั้นก็จะดับลงไปด้วยตัวของมันเองนั่นหมายถึงว่าเมื่อเราไม่อยากให้มันเกิดมันก็เกิดขึ้นมาอยู่แล้วแม้ไม่อยากให้มันดับมันก็ดับลงไปเพราะมันอยู่แล้วหรืออยากให้มันดับแล้วมันไม่ดับมันมันมันก็ดับใช่ไหมเพราะมันเป็นขอต้องดับแต่เราเห็นมันไหม ทันไหมทําไมไม่ท <Spark> so ันก so ็ไม่ฝึกนะไม่ฝึกถูกต้องไม่ได้ฝึกไม่ได้ฝึกฝึกยังไงซ้ำๆการเวียนรอกการรู้โดยเวียนรอบรู้ทุกรู้เห็นที่เกิดทรู้ความดับไปของทกรู้ทุกรู้เหตนที่เกิดทุกรู้ความดับไปของทุกพระเจ้าจึงยอนลงเหลือแค่สองคือสมุทัยวานกับนิโรธวา ผู้เจ้าเห็นการเกิดการดันเดี๋ยวจะขออนุญาตขึ้นกระดานสั้เล็กน้อยเพื่อให้เห็นภาพเป็นเป็นวันจัยที่องค์ได้ ท, ทำการปรัสรูน้นะ เ็กไปอเล็กไปเม่เหนเด็กเด็กอายุน้อยเงาไม่เห็นตส่ผ้าแย่สท เรารู้อยู่แล้วว่าต่อไปนี่คืออะไร น, นะทำไมพระเจ้าถึงยกอวิชชาที่มานเป็นมากเน่านเพราะองค์รู้ตัวนี้ได้ยังไงว่าตัวนี้คือปัญหาของความทุกข์ ที่เกิดสังเกตว่าปฐมมา ย, ยาพุทธเจ้านิจารณาอะไรไรู้อะไ ร, ป, ระปุเปย์วิบากฐานสติญาณและในปุเปย์วิวากฐานสติญาณพุทธเจ้าเนี่ยรู้ไหมว่าจุดเริ่มแรกแห่งการเกิดมาจากไหนแม้จะรู้อดีตก็ตามแต่ไม่รู้ว่าจุดเริ่มแรกแห่งการเกิดที่เป็นต้นต่อจริงๆคืออะไรพเพราะองค์ก็การหาต้นตอต้อนต่อของความทุกขอย่างไรเพราเกิดมานั้นมีความทุกข์องค์รู้อยู่ว่าเกิดมีความทุกข์แต่ว่า ต้นแต่อองค์กรคืออะไรพวกก็ไม่รู้แล้วยามที่สองผูเจ้าเกิดธนาถตังสายามคือรู้การปติตรีและประวัติของของดวงจิตที่มันเกิดดำเกิดเกิดเกิดพบนั้นพบนี้พบสูงพบต่ำสามสิบภูมิพะองค์ตรวจ ด, ดู ด, ด้วยจตูป ป, ปาปัญญาทั้งสามสิพบภพูมิยังไม่เห็นดวงจิตดวงไหนหลุด พ, พ้นออกไปจากสาเสิบภูมินี้างไรเห็นวนเรียนอย่างเงี้ยทํากรรมอย่างนี้ก็ u, ไปเกิดอย่างนั้นตรงนัพพ้นอย่างนี้ก็ไปเกิดอย่างนู้น ไปเรื่ๆพระเจ้าก็ไม่รู้ว่าที่สุดของดวงจิตเนี่ยจะเป็นศูนยที่ไหนแม้พระองค์เห็นภบชาติของพระองค์เององค์ก็ยังไม่รู้ว่าที่สุดจะมาจากไหนย้อนไปกี่กับกี่กันก็ไม่รู้จุดเริ่มแรกหรือว่าไปสุดของการเกิดก็ไม่รู้เพราะไม่รู้เนี่ยพองคก็เลยเอาตัวนี้มาตั้งนจุดมาอย่างเนี้ยอ๋อพรพเราไม่รู้ มันมีใครรู้ก่อนหน้านี้ก็มีใครรู้สมรถรถธรรมในเวลานั้นก็มีใครรู้องไม่รู้แล้วไม่รู้เขามันไม่รู้ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยพระองค์ตั้งตั้งเป็นโจทย์ขึ้นมาก่อนเพื่อเพื่อนําไปสู่คือพระองค์จะตั้งสมมติฐานและนําไปสู่กันค้นหาพระองค์ก็เลยตั้งเถาไม่รู้ไม่รู้ในอะไรก็คือไม่รู้ในในตัวเนี้ย <Yeah. S 1> ไม่รู้ในสังขารพ่อไม่รู้ในสังขารนั่นเลย สังขารก็ขอให้เกิดความไม่รู้เพิ่มมาอีกแล้วก็ความไม่รู้ในสังขารก็วเวียนอย่างเงี้ยสังขารตัวนี้ก็คือปุญญาทีสังขารอปุญญาทีสังขารแล้วปุญญาทีสังขารอปุญญาทิสังขารก็คือธาตุสีขันห้าอายะตนะโมทั้งหมดอรตมาจิต บ, บอกว่าเมื่อใดก็ตามที่เราไม่รู้จักขันธ์ห้าเมื่อนั้นจะเกิดการหยางบโลภขันธ์ลงเราไม่รู้ในสิ่งที่เราเห็นอยู่มองมาที่อรตามาเนี่ยโยมไม่รู้ว่า ไม่รู้ตามความจริงนะในความหมายคือไม่รู้ตามความจริงว่าปาตมบาลคืออะไรคือไม่รู้โดยความเป็นธาตุโดยความเป็นขันอย่างนี้เราไม่รู้ลองรู้โดยความเป็นศัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนเมื่อเรารู้อย่างเนี้ยมันจะเกิดเมื่อเราไม่รู้มันจะเกิดการหยั่งลงของขันการหยั่งลงของขันคือเราจะไปหยั่งลงในสิ่งที่เราเห็นนั้นว่าดีหรือไม่ดีสร้างบุญสร้างบาปต่อสิ่งนั้นก็เลยเกิดเป็นปัญญาพิสังขารแับปุญญาพิสังขาน นั้นการเมื่อเราที่ไม่รู้เนี่ยปั๊กเนี่ยมันจะอย่างอย่างลงของ อ, อุปทานขันสันขนงขารคืออุปทานขันทั้งหมดพระอกอบเอาอุปทานขันมันน่าจะอยู่ตรงนี้นามกับรูปแล้วเรามาจะอธิบายใ ห, ให้ให้พวกเราได้ได้วิเคาะ์ว่ามันจะอยู่ตรงนี้ได้ยังไงมันจะก่อยให้เกิอเดอะไรยังไงจริงๆขันห้าโดยปกติก่อนที่จะมีมนุษขันห้ามีอยู่ไหม แ ล, และสิ่งที่มีคืออะไรปราพสระ จ, จิ ต, ตปราพสละจิตมีมีอะไรปูแต่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามหลักอริยธรรมบอกเวทนาสัญญาสังขารเป็นเจตสิกไม่ได้บอกวิญญาณแต่จะมาเพิ่มวิญญาณเข้ามานอกเหนือที่ทํารหน่อย <S <S <S แต่จะมีอธิบายอยู่ว่าทาไมจะต้องเพิ่มเข้ามาแต่แต่คงเป็นรายละเอียดต่อไป คือมีเวทนาสัญญาสั้นๆมอย่างปรุงแต่งอยู่แล้วเป็นเกเทศิเกเทสิปรุงแต่งจึงมีจิตต้องเข้าใจก่อนว่ากายถูกปรุงแต่งมาจากธาตุสีคือประกอบกันมาเป็นรูปร่างจิตถูกปรุงแต่งมาจากนามสีเวทนาสัญญาสั้นๆมีอย่างถูกปรุงแต่งนั้นมันจึงมีถ้าไม่มีดินน้ำไฟลมคือลูก เจเจสดิษ์ปรุงแต่งจิตดินน้ำไฟลมปรุงแต่งรูปประกอบให้มีรูปหม้ว่ารูปเนีคือดินน้ำไฟลมเรียกว่ามหาเรียกว่ามหาพูด <Okay. S 1> แล้วก็มีรูปหนึ่งอยู่แต่แต่ยังไม่พูดถึงการอาพูดถึงหลักๆตัวเจตสิษฐ์เนี่ยปรุงแต่งจิตเพราะฉะนั้นต้าพูดถึงจิตก็ต้องพูดถึงเจดศิษฐ์ท่อนปรุงแต่งพูดถึงรูป ก, ก็ต้องพูดถึง ดิ้นน้ำไปลงอ่งั้นจิตเนี่ยมันไม่มารู้นิพพานมันรู้แต่สิ่งที่ปุงแต่อยู่ในตัวมันมันไม่รู้นิพพานเมื่อไม่รู้นิพพานมันจึงไปยึดจับเอารูปเนี่ยเพราะอะไรเพราะตอนที่เกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เป็นการ รวมตัวกันที่ก่อให้เกิดก้อนโลกนี้ขึ้นมาใ น, <ห> น, ในแต่ทีนี้ผู้ที่ชาบสงเ่าเองนะเต้อเองในในพระ泰กิกว่าเกิ ด, ดลกลิ่นตลบอบวนไปหมดด้วยกลิ่นของวันดินวดวงจิตเนี่ยมันรับทราบกลิ่นนั้นมันกลิ่นนี้มันยังไงถ้าหมายถึงว่าจิตมีธรรมชาติในการรับรู้กลิ่นอยู่แล้วไม่มีจมูกแต่ไม่รับรู้กลิ่น <c oughs> แตก แบบไหมอาญตนะทางทางนี้มันไม่มีทางทางการดมไม่มีแต่ทําไมพรจิตไม่มีรูปร่างนะไม่มีรูปร่างมันมีสติร่านงะแต่ทําไมในตําราบอกว่าตลบหัวพ้วนหมดเลยกลิ่นของก้อนดินนี่นะตอนที่เกิดโรคใหม่ๆเป็นก้อนโลกนี่ยแต่ว่าจิตสามารถรับกลิ่นได้น่ามาที่ว่าถ้าจิตออกจากร่างแม้จะหมวกมีอยู่รับกลิ่นได้ไหม ไม่ได้มันรับกิ่นอยู่แล้วมันมาสามารถรับรูปรับเสียงรับกลิ่นรับรสโดยตัวของมันเองได้อยู่แล้วมันจึงมาหลงหลงตัวตัวกลินเนี่ยกิ่นจัดเป็นรูปใช่ไหมจะเป็นรูปหลงอยู่ในรูปประกอบขึ้นมันมันไม่รู้นิพพานเพราะการนิพพานเนี่ยแต่เป็นธรรมชาติที่มีอยู่แต่ด้วยความที่มันไม่รู้เนี่ยมันก็เลยมารับทราบตัวเนี่ยแทน เพราะฉะนั้นการที่ไม่รู้แล้วเกิดการหยั่งลงของขันขันเริ่มแรกนั้นก็คือเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณแล้วก็มีรูปในการยึดสังขาราตัวเนี้ยในแบบบอกว่าปัญญาพิสังขารกับปัญญาพิสังขารแต่ในในแง่ของปัญญาพิสังขารกับปุญญาพิสังขารเนี้ยหมายถึงแง่ของการ ปรุงแต่งไม่ใช่เป็นตัวบุญหรือไม่ใช่เป็นตัวบาปแต่เป็นแง่ของการปรุงแต่งบุญหรือปรุงแต่งบาปนั่นหมายถึงว่าขณะที่จิตเนี่ยไม่รู้รูปเมื่อเราไม่รู้ในสิ่งที่เห็นไม่รู้ในสิ่งที่ได้ยินไม่รู้ในสิ่งที่ดมกลิ่นไม่รู้ในสิ่งที่ริมรถไม่รู้ในสิ่งที่มาสัมผัสกับตัวเราและไม่รู้อารมณ์ที่เกิดกับจิตเราเกิดการหยั่งลงของขันทันทีพอเกิดการหยั่งลงของขันคืออุปทานขันเข้าไปยึดจับ ในสิ่งที่เห็นในสิ่งที่ได้ยินในสิ่งที่ดมกลิ่นลิมรถการหับลงตัวนี้ปั๊บเกิดเป็นปุญญาพิสังขารนภุญญาพิสงังคารปรุงแตง่งบุญ ป, ญปญรุงแต่งปั๊บปรุงแต่งยังไงในในในวันที่จะมาพิจารณาเพื่อที่จะ ด, ดับการเกิดปั๊การเกิดมาจางไหไอ้ตัวนี้ชาติตอนพิจารณาบัตรการเกิดเป็นยังไง ทำไมคนถึงไมาเกิดมาเกิดได้ยังไงทำไมทำยังไงถึงมีวิธิการเกิดได้เดินจงกรมโดยตั้งทางถังเนี่ยกลับไปกลับมากลับมากลับไปก็เลยมีตัวเนียกขุดขึ้นมาขุดยะวที่สำคนะัญขุดยาวที่สำคัญบุญกับบาปเป็นตัวนําเกิดถ้าไม่มีการปรุงแต่งบุญไม่มีการปรุงแต่งบาปไม่มีการนาเกิดเลยครับแล้วตัวปรุงแต่งก็คือตัวขันนั่นแหละปรงแต่งบุญปรุงแต่งบาป ตัวตัวเราท่นไหนล้วพูดง่ายๆพูดงานๆคือตัวเราพระเจ้าจึงพยายามดูที่สิ้นสุดแห่งดวงจิตที่ปรุงแต่บุญปรุงแต่บาปนั้นว่าจะไปสิ้นสุดที่ไหนในศาสิบเอ็ดภูมิมหาทีสิ้นสุดไม่ได้ไม่ได้แต่งวนเวียนอยู่ทําบุญก็ไปสู่ภพสูงไงทำบาปก็ไปสู่ภพต่ำเมื่อพรองค์สงทราบว่าเพราะไม่รู้การปรุงแต่งทั้ง2ประการเนี่ยขันทั้งหมดจึง เขเรียกว่าก่อตัวขึ้นในสังขารทั้งบ่วงหยับลงการหยังลงในสังขาเรเราเนี้ยจึงเกิดเป็นการประกอบพ้องที่จะเป็นบุญหรือเป็นบาปขึ้นประกอบขึ้นมาเป็นสังขารทั้งหมดเพราะคําว่าสังขารคือปรุงแต่งรูงาาปปรุงแตง่งเนทนารปรุงแต่งสัญญาปรุงแต่งตัวมันเองแล้วก็ปรุงแต่งบัญญาตินั่นคือสังขารเมื่อมีการปรุงแต่งแล้วเสร็จเสร็จล้วปัป็นรปประธานขานทั้งหมด ก็มีรูปเป็นฐานสัญญาสังขารวิญญาณตัววิญญาณตัวนี้ไม่ใช่วิญญาณในขัน5่านะใช่เขาเรียกว่าการสื่อต่อการสื่อต่อเมื่อขันขั้ง5ายยางลงในสิ่งที่เรารับทราบแล้วปอกเป็นสังขารขึ้น เช่นเห็นเห็นคนที่เราโกรธแล้วเราไม่รู้จักความโกรธที่เกิดขึ้นพร้อมกับการเห็นการยำลงคือการอุปทานของขันคือจะเข้าไปยึดคือมันยึดเองยึดอยู่แล้วยึดโดยปกติยึดโดยธรรมชาติมันต้องยึดมันไม่ยึดไม่ได้เพราะมันมีเหตุปัจจัยที่จะให้ยึดอยู่เพราะความไม่รู้มันยังมีอยู่เมื่อไม่รู้ปุ๊บมันเข้าไปยึดจับแนวอารมณ์และบุคคลที่ ปอให้เกิดความโกรธพอยึดแล้วปั๊บเนี่ยมันป่อเป็นสังขารอะไรบุญยาพิสังขารเรียว่าบุญยาพิสังขารเอาบุญยาพิสังขารเราต้องเข้าใจนะว่าสิ่งนนเนี้ยมันไม่ใช่กิเลส น, นะแต่เป็นผลมาจากอภิชาตเนี่ยตัวของมันไม่ใช่กิเลสเป็นมนีแค่ปัจจัยป่อเกิดท่านเองจากนั้นเมื่อเราเข้าไปยึดแล้วปั๊บเนี่ยอุปัฏฐานขันธ์อย่างลงยึดจับปุ๊บ ก, ก็จะเกิดการคลุกแต่งเมือ่อใดก็ตามที่เราไม่เห็นอาการ ของขันหรืออารมณ์ที่เกิดในจิตเมื่อใดก็ตาม ท, ที่เราไม่เห็นนะเมื่อนั้นมันจะสื่อต่ออารมณ์นั้นหมายว่าความโกรธก็จะยังอยู่อย่างนั้นคือการสื่อต่อเป็นการสื่อต่อในเรื่อ ว, ว่าปฏิส่ณฑ์ที่ปิญญาเราก็จะรับรู้แต่อาการของความโกรธสื่อต่อในจิตเราแต่เมื่อใดก็ตาม ท, ที่เราเห็นอารมณ์เกิดและอารมณ์ดับปฏิสัที่ิญญาจะไม่สื่อต่อ ทีนี้เมื่อเราไม่เห็นปัจจุันก็เกิดเป็นปฏิสุลที่วิญญาณสื่ต่อก็เกิดนามรูปแบบไหนอารมณ์โกรธเป็นสังขารขันใช่ไหมความทุกข์อันเกิดจากความโกรธเป็นเบทนาขันขวากายที่เราตอนเป็นอ่าเนี่ยกลับกลับมาฐานเดิมละกลับมาดูขัน การทรงจําความปวดนำไมเป็นสัญญาฐานและการรับรู้อารมณ์ความปวดเป็นปัญญาฐานคือนำมาพูดนั่นเองแล้วอายตนะเป็นตัวรับกระทบใครเป็นผู้รับกระทบความปวดในเวลานั้นนะตาลับกระทบความปวดได้หรือโนมโนเออมโนอายตนะคือมานายตนะคือมโนเพราะนั้นมโนเนี้กับจิจเป็นอะไรกันเนี่ยฮะมโน อารมณ์ความปวดกระทบที่มโนมนายจารยนั้นเป็นผู้รับอารมณ์จิตไม่ได้เป็นผู้รับอารมณ์นะเพราะนั้นจิตกับอารมณ์จิตกับมโนจริงไม่ใช่เดียวกันแล้วมโนเนี่ยภาษาพากเราเพืนเขาเรียกมันใจจิตกับใจจริงไม่ใช่เดียวกันถ้าจะอธิบายในแง่มุมที่ว่าดวงตาเราดวงตาเราเนี่ย เป็นที่ตั้งแห่งการเห็นถามว่าคนที่มีดวงตาทุกคนเห็นทุกคนไหมนคนที่มีลู ก, กตาเห็นทุกคนไหมมองเห็นทุกคนไหมแล้วถ้าคนตาบอดยังมีลูกตาอยู่แต่ตาบอดอะอสภาพการเห็นไม่มีไม่เกิดขึ้นไม่ปรากฏฉะนั้นแล้วอายตนะเนี่ยจึงเป็นตัวเขาเรียกว่าเชื่อมโยง ให้เกิดการเห็นหรือสื่อต่อให้เกิดการเห็นถ้าไม่มีอายตนะไม่มีการเก็นเหตุการณ์เพราะฉะนั้นมานายตนะถ้าไม่มีตัวมานายตนะเป็นตัวรับอารมณ์จิตก็จะไม่สามารถรับทราบอารมณ์อะไรได้เลยมานายตนะเนี่ยจึงทําหน้าที่ในการรับอายตนะจึงมี6ในการรับตารับภาพหูรับเสียงจมูกรับกลิ่นลิ้นรับรสกายรับกาสัมผัสใจรับอารมณ์ จิตเป็นเพียงแค่ตัวที่โอนตามเองตามน้อมตามในสิ่งที่ผ่านเข้ามาทางอายตนะจิตไม่ได้ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะแค่อะไรเกิดมันก็โอนตามเองตามน้อมตามความปวดเกิดขึ้นก็โอนตามเองตามน้อมตามเพราะฉะนั้นขณะที่ฐานนามาลุมาแล้วสิ่งที่กระทบใจตอนนั้นก็คือมานายตนะ อ, อ, อารมณ์กระทบใจความปวดกระทบใจคือกระทบมานายตนะพอดี อยายตนะก็ก่อให้เกิดเราเราพูดถึงภาษาก็ต้องพูดถึงกระบวนการสามใช่หมมีอกระบวนการกระบวนการสามเนี่ยก็มีอะไรบ้างทำอายตนะหนึ่งมานายตนะสองรับรู้เอาลงแข่งความโกรธเป็นวิญญาณ เ, เรียก ว, ว่าภาษาไม่เนี่ยภาษาไม่เนี่ย ปฏิสุปบามันเกิดขึ้นขณะอารมณ์เดียวนะภาษาก็สุขหรือทุกข์แหละปวดแก่ก็เปนขณะแล้วเมื่อทุกข์แล้วเป็นยังไงอยากดับแล้วพองบอกว่าต้องใช้อยากไหมไม่ต้องใช้แต่ทำไมเราใช้ <c oughs> <g ual t ina> มาอีกแล้วเ <c oughs> <p ary al> พราอยากก็ยึดพรยึด ก, ก็เกิดเป็นโปมเพราะควาเอารมณ์เดียวมันเป็นปฏิสุปบาทขณะนั้นเลย เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อใดก็ตามที่เราเห็นการเกิดของอารมณ์และการดับของอารมณ์ควไม่รู้ก็หายไปพอความไม่รู้หายไปมันก็เป็นนิโรธก็เกิดเป็นนิโรธวันขึ้นวาราแห่งการดับอริชา ย, ยาเตเวะอาเซสาวิลาภนิ โ, โรธะนโรธาสังขารนิ โ, น โ, โรธ อตาตมาก็มาจำได้เพราะอาจารย์สุพีทำ <l ots> แต่ก่อนก็เลิกเรียนเหมือน ก, กันเรื่องจำบาลีจำทุกนจทาอาจารย์สุพีนทรงจำได้เยอะมากเลยก่อนเรียกว่าเอตทักคะในด้านนี้ยอมอรับอาตมาก็บางทียังจำไม่ถูกทอะ่ะมาสวดตอนที่มาสังเวเนี่ยฉะ <l ots> <l ots> <l ots> นั้นแล้วขึ้นขึ้นกัะดานอย่างเนี้ยมันจะมี อันนี้คือสมุทยวานใช่ไหมสมุทัยสมุทยสมุทรายะเอาเอาไทยเนาะสมุทยวา น, มวานเมื่ อ, อวิชาดับก็เป็นนิโรธนิโรธานบ า, ารัคือสายความชื่มยงอวิชาเกิดสมุทยเกิดอวิชาดับนิโรธรากฏในนี้มีมีอริยสัจกี่ขอ้อน่นนะ ทุกขอยู่ไหนการเกิดเป็นความทุกข์ใช่ไหมช่ชาติทุกข์ทุกข์อมานุปายอย่างเงี้ยนี่คือทุกขสัจจ์สมไทัยมีพ่อวิชาดิลโกรว่าอวิชาดับมัรคสัจจ์อยู่ไหนทำทุกข์อ่ะททําไม่อยู่ที่ไหนมัคคสัจจ์อันนี้มีอริยสัจ ก็ใช้ายสัพพบสี่นะจึงจะสามารถทำรายได้อาิยสัพพคที่สี่ที่ไหนก็อยู่ที่อธิบายอนนี้กำลังกาลังดูกันอยู่นี้นะมักมักคือไปรู้อะไรรู้ทุก่อนใช่ไหมแล้วก็รู้แบสมุทัยแล้วก็รู้เมื่อกี้อธิบายแล้วรู้เนย่ง ใช่ไหมมากเกินไปแล้วแต่มักจะเต็มเมื่อไหร่หรือโมเุลเมื่อไหร่นั้นเป็นเรื่องของเราใครรู้ทันก็ละในทันใครรู้ไม่ทันก็ละในไม่ทันจบแล้วอ่าต่อไปก็เปิดครับโอกาสครับจะจอน้าก้อยไหนให้ดีที่สุดในปฏจจสม กติกาสวัสดิ์มันเกิดขึ้นในขณะอารมณ์หนึ่งนะหากรารู้ทันอารมณ์ขณะนั้นได้ทั้งสายเลยหมายถึงว่าควโกรธพข้อข้อหนึ่งเกิดขึ้นนะยาปฏิเสธมันมีข้อกําหนดคือว่าเมื่อความโกรธเกิดขึ้นหนึ่งยาหยาดจับความโกรธสองห้ามคิดต่อจากอารมณ์ที่โกรธสอดทนดูความโกรธสให้เห็นอารมณ์โกรธนั้นดับโดยตัวของอารมณ์เอง นี่คือข้อกำหนดในขณะที่เรากำลังดูอารมณ์หนึ่งยาอยากดับความโกรธเอาเราความโกรธเกิดขึ้นใครก็อยากจะดับมัน <S <S มถามว่ามันดับตามความอยากหรือเปล่าก็ม <c oughs> เมื่อมันไม่ดับตามความอยากก็ไม่ใช้ความอยากทําไมจึงบอกว่ายาอยากดับอารมณ์อยาดับยาอยากดับความโกรธสองยาคิดต่อจากาอารมณ์ที่โกรธสาม อดทนดูความโกรธที่กำลังเกิดขึ้นและดีบคั้นใจเราอยู่ในเวลานะั้นซให้เห็นความโกรธนั้นดับไปด้วยตัวของมันเอง <Okay. S 1> หากเราทำได้อย่างนี้เราจะควบคุมความโกรธและอารมณ์ทุกอารมณ์ได้คืออารมณ์อื่นก็เปียนก็เทียบเคียงแบบนี้นะอันนี้เอาเอาแค่ความโกรธเป็นตัวอย่างเพราะมันออกนอกหน้าเราอยู่เป็นประจำเนี่ย <laughs> เอาก็ธรรมดาเราไปอยู่ที่ไหนเราเจอเราที่กระทบใจก็ต้องมีบ้างย่างยกว่าต้องแสดงตัวเป็นมารว้อยู่อย่างนี้มัต้องมีอย่างเงี้ยถามว่าผิดมันไม่ผิดเพราะความโกรธไม่ใช่กิเลสคนรู้จักความโกรธมันไม่ใช่กิเลสนะความโกรธความโกรธเป็นอารมณ์ที่แสดงให้เราได้ทราบต่อสิ่งที่มาสัมผัสกับจิตถ้าไม่มีอารมณ์มาแสดงให้เราทราบที่เกิดขึ้นจาจิตเราก็ปฏิบัติต่อมันไม่ถูกความดีความชั่วกันไม่ใช่กิเลส เพราะมันอารมที่ต้องแสดงให้เราได้รู้ถ้าเราไม่รู้เราจะปฏิบัติกับมันถูกได้ยังไงอันนี้สวยอันนั้นหน้าละผู้จะบอกสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ไม่ใช่การไม่ใช่ตัวต่วตวอให้เกิดกิเลสแต่สิ่งที่เราไม่รู้จักตรงนี้มันจะต่อให้เกิดกิเลสเข้าใจหลักการเดินมั่งประกอบด้วย อ, อริยสัจสีแล้วก็ปฏิสุป บ, บาทได้ยังตรงนี้ยเข้าใจได้ไหมเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเพียรของเราเองใครจะถามอะไรอี้ ดังนั้นระหว่างที่เกิดไปที่หลุดจากการตามดูหรือดูรูน้นะเพราะนั้นเมื่อมัน <lav> เ <arp> กลอไปแล้วก็พลาดไปแล้วปั๊บเนี่ยเราสามารถรู้ได้ทีหลังไหมไการรู้ได้ทีหลังนั่นก็คือการรู้อย่างหนึ่งเป็นสติอย่างหนึ่งเป็นแต่เป็นสติทีหลังไม่ใช่ใช่สติที่เ ท, ท่าในนะแต่การที่เร า, ารู้ว่าเมื่อกี้นี่เราเราเราไม่ทันตารที่เราไปรู้ว่าเมื่อกี้เราไม่ทันต่อไปเราจะจะตั้งปิดให้ทัน แต่ก็ไม่ทันอีกเมื่อเดิมแล้วเข้าใจไหมแต่การที่เราตั้งกิจว่าต่อไปเราจะทำให้ทันสติมันจะค่อยๆพัฒ น, นาตัวเองของมาเพราะการรู้เราต้องรู้กีหลังก่อนอยู่แล้วไม่มีใครรู้ทันทีได้ทันทีทันใดหรอกในขณะที่ปฏิบัติต้องรู้ทีหลังไปเรื่อยรู้ทีหลังไปเรื่อยพวกกิ๊ฟบอกว่าในฉะฉะกระสุนพวกกิ๊บอกว่าขณะที่สุขเวทาเกิดขึ้นอยากให้ราชาพาิเศษตั้งนองขณะผู้ก่อเวทนาเกิดขึ้นอยากให้ปฏิภาพิเศษตั้งนอง ขณะที่เอวิชาคณะที่อ า, อ า, าทุกขะมะสุขาเวทน า, าเกิดขึ้น อ, อย่าให้อาวิชาที่ใสตามนอนและจะทํายังไงพวกว่าให้ย้อนกลับไปพิจารณ า, า, าอารมณ์ที่ร่วงไปแล้วนั้นว่ามันเกิดขึ้นมาตอนนั้นเช่นคอาโกรธที่เกิดขึ้นขณะนั้น่ะจิตเราเป็นยังไงจิตเรากระสับกระสายแค่ไหนมันตั้งอย่างไร้วเวลาอารมณ์ดับไปแล้วจิตเราเป็นยังไงพวกว่าให้ย้อนกลับไปดูอารมณ์ที่เกิดที่ดับที่ร่วงไปแล้วนั้นเป็นการฝึกเพื่อที่จะให้สติเข้าไปรู้ทันในปัจจุบัน เมื่อสติมันรู้เท่าทันเองโดยตัวของมันโดยที่เราไม่ได้มีกา ร, ากรกบรรมันจะเกิดสติอัตโนมัติกํากับและจับอยู่กับอารมณ์ที่เกิดกับจิตเกิดดับเกิดดบเกิดดั บ, เ ก, ดดบเกิดขึ้นมาปุบสติปรั่บปั๊ บ, บแนบปุ๊บดับพุ๊บอย่างเงีเ้ยจนเป็นอัตโนมัติเมื่อเกิดอัตโนมัติขึ้นมารับปั๊บรอเวลาทันทีเ <c oughs> พราะปัญญาอันเห็นความเกิดความดับจับเป็นปัญญาอันชั้มแรกที่มี แน่ออกอย่อย่างข้อนี้ว่าเป็นอย่างนี้กกิเพราะกะดานนั้นก็มีสมาธิอยู่ด้วยแนละ้วศีลสมาธิปัญญาถูปัญญเสร็จสรรพเรียบร้อยอนนอแล้วในนั้นใช่เพราะเจริญมากอยู่ตลอดใช่ไหมสมาธิถี่บริบูรณ์ย่อมทาให้สัมมาสัปะปะบริบูรณ์ความคิดของเราจะคิดแต่เรื่องอรอยิย ส, ส, สัจสัมมาสัปะปะความคิดที่บริบูรณ์ย่อมทให้สัมมาปาจาระบริบูรณ์สัมมาปาจาตัวนี้ไม่ใช่คำพูดนะเป็นวจีสังขาวจีสังขาคือ เมื่อสัมมาสังกัปปะคือความคิดของเราถูกต้องแล้วเนี่ยตัวพจีสังขารคือสิ่งที่จะปรุงแต่งวาจาคือสิ่งที่จะปรุงแต่งไปเป็นคาพูดมันคล้ายกับความคิดแต่มันมันต่างกันจากสัมมาสังกัปปะตรงที่ว่าปรุงแต่งวาจากับการปรุงแต่งความคิดทุกวาจาทุกวาจาจะพูดออกมาได้ต้องคิดก่อนหรือปรุงแต่งก่อนภายในจึงคิด ใช่ไหมเพราะนั้นปัจจีสังขารตัวนี้ก็คือตัวสัมมาปาจารีนี่คืออาตมาอธิบายง่างๆของอาตมานะเราพี่นาดูก็ ก, ก็ลองวิเคราะห์กันดูว่าเป็นยังไงทีนี้มองลบอกเอาถ้าคนอยู่เฉลยไม่ได้พูดจะเป็นสัมมาปาจารีหรเปล่ไม่ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวตอนนะั้นไม่เกี่ยวกับพูดหรือไม่ไพูดไมได่เกี่ยวแต่อันนี้คือปัจจีสังขารเมื่อ ส, มสัมมาสังกัปปะ บริบูรณ์แล้ววจีสังสารคสมาบาจานี่ก็บริบูรณ์เมื่อสมาบาจารบริบูรณ์แล้วการกระทำคือการทํากินในอริยสัจสีก็เป็นของบริบูรณ์เองเมื่อการทํากินในอริยสัจสีก็เป็นสมาอาชีวะคือใช้ชีวิตหรือว่าไม่เอาอารมณ์แห่งความอยากเข้าไปกําหนดสิ่งที่เป็นในจิตเราก็ใช้อริยสัจสี่กำหนดอยู่ตลอดคือว่า เอาเอาหลักอริยสี่เเลี้ยงจิตเลี้ยงใจเราไว้อยู่กับอริยสัจเวาใช้ชีวิตอยู่กับความเป็นจริงวา่านี้ทุกเป็นความจริงนี้เหตุเกิดปุ๊บเมื่อมีเหตุมันก็ต้องพุกไม่ใช่เรื่องผิดปกตินี้คือความดับไปแม้มันเกิดมันก็ต้องดับมันไม่มีอะไรคงอยู่เข้าใจชีวิตตามความอย่างเงี้ยเราใช้ชีวิตตามความเป็นจริงในหลัก อ, อริยสัจได้ในสัมมาอาชีวะใช้ชีวิตอย่างชอบอย่างถูกต้องไม่ฝื่ความจริงแล้วก็ ตสมาบาามัญญาสิ่งที่เราพยายามทำอยู่ก็เป็นความถูกต้องไปทั้งหมดก็เป็นสติก็ระละึกในอริยสัจสีสมาธิก็ตั้งกิจรับรู้อริยสัจสี่วันนั้นอรรถมาจรูบอกว่าสมาธิที่เกิดในฟองบ้เนี่ยไม่ใช่สมาธิที่สงบนิ่งแต่เป็นการคิดในอริยสัจสีได้ติดต่อนเนื่องกันโดยไม่ขาดสายและตั้งมั่นในการรับรู้อริยสัจสี ขนาดแห่งอารมณ์ที่เกิดกับจิตอยู่อย่างนั้นแล้วก็เวียนรอบเวียนรอบเวียนรอบจริงๆมีรายละเอียดมากกว่า น, นีน้ที่จะเอาเอาปรยนนิยัติในอคำบรรจักร์คำวิสูจนเข้ามาเข้ามาอธิบายเป็นเยี่ยนกว่าเป็นรายละเอียดให้ให้เรียกว่ากิตสามบริาวารสิบสองอะไ่างี้ยมันมันจะต้องมีจริงแต่ว่าวันนี้เรามีเวลาแค่นี้จริงๆเวลาก็มากเนาะแต่ว่ามากเกินไปมันก็นกเกิน เกินไหมสองทีก็กลัวกัวพวกพวเรากป็นอะไรกันนะกิดว่ามีไว้กรับรู้รู้แล้วก็เลยไม่ทุกข์กับมันเก่งกันนั่นนี่นี่คือว่าอาจารย์สุพีนี่จริงจริงเอาจริงจริงกับตมาล์าตามาลฟังโยมที่อธิบายธรรมะอยังไม่เคยเห็นใครอธิบายธรรมะได้ดีเท่ากับอาจารย์สุพี จิงอธิบายธรรมะในลุ่มลึกมากเลยนะในในในแง่คำต่างๆท่านอธิบายบางทีบางเรื่องตระมาอย่างผบให้แตกฟังอาจารย์สุีมาผมแต่พวกเบางเรื่องแต่อัตมามักจะใช้ภาษาของตระมาเองคือใช้ภาษาแบบอาจารย์สุธีเมื่อไ้ท่านอาจารย์สุธีท่านแม่นแม่นพอสูตรแม่ตระมามีแม่นเลย อยใครจะถามทำไมอย่างเชื่อที่อธิบายดีในข้อสามหมาวาจายถ้าเราเห็นในตัวตัวที่เราความคิดที่มันตุ้บขึ้นมาจะเห็นเกิดดับได้ดับว่านั่งง่ายกว่าง่ายกว่าใช่ถ้าเรามีการพิจารณาตัดสิ่มันจะเห็นวิตกวินอ๋อคิดแล้วมันเกิดับไปแล้วใช่ทีนี้สมาธิอันเห็นการเกิดการดับของสัญญาสังขารอะไรนเวทนาสัญญาและวินตก เป็นเป็นสมาธิที่ก่อนให้เกิดสติสัพพัญญะแต่ที่นี้การที่เห็นเวทน า, าสัญญาวิตกเกิดขึ้นระดับไปมันจะมีขอบเขตอยู่เพียงแค่เราได้สติในปัจจุบัน <c oughs> แต่ยังไม่ได้ละคาทําให้ทุกันสิ้นไปหรือไม่ได้เป็นไปเพื่อความสิ้นอสาาระสมาธิเป็นไปเพื่อความสิ้นอสาาระคือเห็นขันห้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ใเสื่อของใบระับไปอยู่เนืน่อมๆไปบ่อยเรื่อย เพราะเราต้องทราบว่ากระบวนการอมณหนึ่งอารมณ์เกิดขึ้นในกระบวนการทังขันพบย่างไงถ้าเราไม่เห็นว่าอารมณ์หนึ่งอารมณ์เนี่ยเป็นเรื่องกระบวนการทั้งขันเกิดพบในขนาดหนึ่งอันหึงอารมณ์นั้นแล้วก็เป็นปฏิสุบัะในขณาดนั้นและไม่กำหนดอริย ส, สีในเวลานั้นเขาเรียกาการรู้เฉยเฉยนี่ยได้สติสัปปัญญ า, ยายแต่ไม่ได้ทํำาลายปัสสาวะแต่การรู้แล้วพร้อมกับความรู้เอาความรู้เข้าไปอธิบายอารมณ์นั้นด้วยอธิบายให้เราได้รู้ด้วยอ๋อนี่คือ เกิดขึ้นแล้วนี่คือขัขนเกิดขึ้นแล้วนี่คือขันเป็นอย่างนี้นี่คือทุกนี่คือเหี้นนี่เกิทุกอธิบายให้ตัวเองได้ทรมันจับทาลายอาสวะอ้าแต่มาจึงมันจับภาษาไอ้นี่กับลูกศิษย์ว่าสงบใจรับอารมณ์กระกทบได้นั่นคือสมถธเห็นอารมณ์ที่กระทบใจนั้นเกิดระดับได้นี่คือวิปัสสนาสมาธิกับวิปัสสนาต้องควบคู่กันอย่างนี้จึงจะไปทำลายอาสวะได้ จะถามอะไรอีกไหมเพิ่มเติมมันมันมีคำถามไหมครับถามคำถามยังไงถามว่าสถานการณ์ประทะความกโกรธซึ่งหน้าเหมือนสติหลุดไปแต่มีการยับยั้งไม่เลยเถิดถือว่ามีสติต่าๆคอยประคองได้ไหมครับคือก็ถือว่ามีสติในระดับหนึ่งน ะ, ะ, ะม่เห็นมันเลยเกิดออกไปเพื่อทีาจม่เห็น มันก็นทําตอสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนเราเนี่ยไม่ใช่ห้ามเราไม่ให้โกรธนะแต่ห้ามเราโกรธต่อบความโกรธมันเกินไปแล้วแต่อย่าโกรธต่อถ้าโกรธตอบเป็นกรรมแต่ถ้าโกรธเฉยๆเนี่ยเป็นอารมณ์เป็นธรรมดาอารมณ์เป็นผู้ขัดจังหะไม่ใช่สมุทยัยจัจหวะแต่ไม่รู้จักอารมณ์าตามความเป็นิเป็นสมุทยัยจังหะพอเข้าใจไหมนะส แล้วเมื่อเห็นอารมณ์ท่นดับไปก็เป็นนิโรธสัจจะเห็นต้องเห็นนะเห็นเห็นเมื่อตาเปล่าแบบตาเห็นนี่นะแต่ไม่ใช่เอาตาไปเห็นเป็นตาภายในไปเห็นเรียกว่าปัญญาอันเห็ความเกิดและความจับอย่างเนี้ยจะพิจาปณาผู้คลั่งแต่กิเลสเนี่ยพระเจ้าท่าบอกว่าบุคคลผู้มีองค์ความเพียรอยู่ห้าประการจะสามารถทําอสัมวะให้สิ้นภายในเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันโดยที่สุดแม้ฟังวันนี้ก็จะบรรลุภูมินี้ ภาการนี้คืออะไรบ้างหนึ่งศรัทธาปัญญาเชื่อกาปรปฏิบัติวิญญาณมาสมาสมุนุติเจ้าสองมีอาภัณน้อยมีโรคเบาบางสามเป็นผู้ไม่โอ้อวดตนต่อเพื่อนพรหมมาจันท์ทัหลคือไ ม, ไม่ไม่โอ้อวดนะเนาะไม่โอ้วดไม่โอ้อวดก็ตรงตัว <c oughs> ไม่ต้องอธิบายจากนั้นก็พระอาจารย์บอกเขาว่าปารงความเพียรอยู่เสมอปารงความเพียรคือ อระวังไม่ให้ขบุตรศรสขบุตรศรีขบุตรศรีขบุตรศรีเราเรียนสอย่างขบุตรศรีเราเรียนสี่อย่างนะแต่นั่งอาวนาที่ห้าคือมีปัญญาอธิหิตความเกิดแลความดับบุคคลมีองค์ความเพียรห้าประการที่พุนเนี่ยครบริบูรณ์เลยนะเมื่อคบบริบูรณ์แล้วเนี่ยจนไปเห็นการเกิดดับนับไปตั้งแต่เลิกเห็นการเกิดดับนับไปเลยไม่เกินเจ็ดทีอยู่ถึงไหม เงี้ยถึงหน้าหลายหลายคนใช่ไหมไม่เกินเจ็ดปีเร็วสุดาไม่เกินเจ็ดปีจากการวเจ็ดเดือนจากวันวิวิจเจ็ดวันเร็วสุดก็คือวันนีน้กับหมู่นี้ประสบกรารณ์ของอาตมาที่เกิดเจ็ดวันจริงๆไม่นึกว่าจะเป็นวันที่เจ็ดและไม่เคยรู้มากอมา่อนว่า มันจะต้องอยู่ภายในเจ็ดวันเนี้ยรัน่เคยพูดมาก่อนแล้วมื่เกิดวันที่เจ็ดมันทำให้ธรมะได้อยู่อย่างนี้ยมาตลอดแต่แรกตื่ต้องไม่มีช่องโหว่เลยใช่ไหมย๊ะจ๊ะใช่ภายในเจ็ดวันนั้นทำไมเพาะว่าเราเริ่มจับการเกิดการดับได้แล้วเริ่มพอเริ่มจับการเกิดการดับได้แล้วแต่นั้นก็เลยจอดูเลื่อยต่อตลอดในทั้งเจ็ดวันเนี้ยไม่ต้องทําประภทานอย่างอ่เลยดูเกิดดูดับอย่างเดียวตลอดเจ็ดวันประมาณวันที่สี่ มันเกิดเป็นสติอัตโนมัติหมายถึงว่าเราเผลอยังไงมันก็ไม่เผลอเราไม่ตั้งใจดูมันก็ดูเราทาอะไรอยู่มันก็รู้การเกิดการดับนันอัตโนมัติจนกอาตมาบอกกับลูกศิษย์ว่าโยมเมตตีรังกายอยู่ก็รู้ว่ามันเกิดดับได้อะาิจจริงมันเป็นอัตโนมัติขนาดนั้นเลยนะถ้าใครถึงขั้นระดับอัตโนมัตินล้วมันมีจิตมันจะ เกิดอัตโนมัติขึ้นมาอาัตโนมัติอย่างเงี้ยจ้าแต่ทั้งหมดที่เรามอาอธิบายไปเนี่ยเป็นแค่เฉพาะแหนมุมอมงองตามาเท่านั้นนะต้องเขต้องเข้าใจว่าเป็นแห่มุมมองตัณมาเท่านั้นต้องต้องไปผ่านการพิจรารณาอีกชั้นหนึ่งแล้วเอาไปลองทําดูก่อนมันเป็นยังไงเพราะอธิบายมานเนี่ยค่อนข้างจะแบบแนวสมัย ที่ลืมก็ดีเลยค่บคนที่ลืมไม่ดีพ่อเขาะจะมีรู้อารมณ์การละอาสาเานี่ยต้องไม่ใช่ว่าจิตเราจะไม่รับรู้อารมณ์ใดๆ น, นะจิตมันต้องรับรู้อารมณ์ถ้าเราไม่ให้จิตรับรู้อารมณ์เนี่ยแล้วเราจะดูดูอะไรเกิดดูอะไรดับพราปัญญาอันเห็นการเกิดดับจะทํายเฉลี่ยแต่ถ้ามันเฉยๆนิ่งๆ ม, มันเบามันว่าง ม, มันสบายไ ม, ไม่ได้เลย มันไม่เกิดปัญญาเป็นอย่างนี้อ๋อเป็นอย่างี้ใช่ไมไดูอ่ะคิดไดูเน่านี้เราต้องต้องต้องไปอันนี้อีีนะจกระชาไม่ใช่ต้องต้องใช้ปัญญาอีพีหนึงอีชั้นึงอันนี้ต้องต่างหากนั่นก็ถ้าไม่มีใครถามประเด็น ในในข้อธรรมนี้ถือว่าเป็นที่เข้าใจกันทุกคนอาตมาก็ค้อนมุธนากละพวกเรานที่มีจิตที่ใครอยากจะรับทราบรับฟังการสแสดงธรรมที่อาตมาได้สแสดงแล้วก็มอบความไป้วางใจให้อาตมาเป็นผู้ให้ความรู้กับพวกเราพร้อมหน้าประพุทธพระธรรมประสงฆ์ยงบันดาลบุญกุศลที่เกิดจากการรับฟังธรรมเทศนา <c oughs> บุญกุศลที่เกิดจากการสแสดงธรรมของอาตมา ขออุ่นทั้งหมดทั้งมวลนี้จงรวมกันเป็นมหาตัดเดชาุภาพอานุเวพร์นตอบสนองให้ยากุลทุกท่านเป็นผู้ประสบความสุขความเจริญเจริญด้วยอายุมีอายุยืนนานจเจริญด้วยวันน่ามีผิวพรรณผอมใสจเจริญด้วยสุขะมีความสุขกายสบายใ จ, จเจริญด้วยภาร ะ, ะมีกำลังวังชาสมบูรณ์แข็งแรงและขออุพักษ์แห่งบุญ น, นี้จงหลุนนำจิตใจของพวกเราทุกคนให้ก้าวล่วงความทุกข์ทั้งปวงก้าวล่วมความเหนื่อร้อนทั้งปวงก้าวล่วมจากเวรไปทั้งปวง คนจากอะไรหาทนปวงมีสติปัญญาเฉยวฉลรู้แจ้งแทงตลอดในทำคสังสอนของพระสมานพระพเจ้าพ้นผูกคลุกกระแสตนิปาในปัจจุบันการและอนาคตการทุกท่านเธอรัราอาจารย์ด้วยกันทุกท่านสติรู้ร้่างกายคบกับเงินทาความรู้สึกกับตัวเองเพื่อกาบพระพุทธเจ้า การตางกาพสุขุโถรมโมสังโภอะไพวกนี้มันรมสุขขันธ์ขั้นสต่อไป